บทที่หการบริหารอำนาจของรัชสำนั ก, กรูปธรรมรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นนายกรัอมันตรีของประเทศไทยก็จะต้องรับใช้ใต้เบื้องยุคคนละบาททั้งทำนโยบายไปรับใช้และนำส่วนตัวไปรับใช้การถวายทรัพย์สิในใดๆแก่พระองค์ถือเป็นบุญคุณของผู้ถวายซึ่งคล้ายกับถวายปัใจจัยให้พระสงฆ์และทั้งหมดนั้นไม่มีบุญคุณไม่มีเมตตาส่วนนายก จะบริหารประเทศเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากน้อยเพียงไรไม่สำคัญที่สำคัญที่สุดคืออย่ามั่นคงอย่าให้คนรักมากถ้าผิดจากนี้อันตรายก็จะเกิดกับตัวนายกทุกคนรูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดคือกรณีของรัฐบาลพันตำรวจโทพักษินชินวัตน์ธุรกิจไอทีวีทั้งรับใช้และรับกรรมเป็นเรื่องที่รับรู้กันทั่วไป แต่ไม่มีใครกล้าพูดกันคือนมีการทํำธุรกิจโทรทัศน์ช่องไอทีวีซึ่งเริ่มต้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทักษิณเลยแต่ทักษิณต้องจํายอมรับใช้และสุดท้ายก็ต้องรับกรรมเองเพราะไอทีวีกลายเป็นธุรกิจที่สร้างศัตรูทางการเมืองมากมายโดยทักษิณก็พูดไม่ออกไอทีวีเป็นธุรกิจหนึ่งในหลายคันกิจการของราชสํานักที่ก่อตั้งเริ่มแรกเมื่อปี2536 ด้วยทุนหลักมาจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์โดยการลงทุนเริ่มแรกประมาณสามพล้านบาทโดยมีกลุ่มผู้ดำเนินการคือสำนักข่าวเนชั่นมีนายสุทธิชัยหยุ่นเป็นหัวหน้าทีมงานทุกคนได้ดูโทรทัศน์ไอทีวีก็สนุกสนานตื่นเต้นกับข่าวสารการบันเทิงดีแต่หารู้ไม่ว่าไอทีขาดทุนทุกเดือนแต่กลุ่มผู้ดำเนินการไม่เดือดร้อนเพราะเป็นลักษณะมือปืนรักจ้าน คือถือหุ้นน้อยแต่บริหารเองและรับเงินเดือนกันสูงในที่สุดไอทีวีก็บัตโกลหนี้สินล้นพ้นตัวและด้วยวัฒนธรรมการดำเนินธุรกิจแบบราชะสำนักที่มีลักษณะพิเศษคือมีแต่กำไรจะ่เมื่อเกิดการขาดทุนก็แก้ปัญหาโดยผ่องถ่ายยัดเยียดให้แก่กลุ่มทุนที่จงรักภักดีแต่ทั้งเบียช้าซี CP, พีะทิงแดงไม่มีชั ร, รับจึงถูกโบ้ยมาหาทักษิณซึ่งขณะนั้น ได้กระโดดเข้ามาสู่การเมืองเต็มตัวในฐานะหัวหน้าพรรคไทยรักไทยและพร้อมจะก้าวขึ้นสู่นายกนักมืองตรีคนที่23ของประเทศไทยเป็นทั้งคนกระเป๋าหนักและใจถึงบริษัทในกลุ่มของทักษิณจึงรับของธุรกิจขาดทุนมาดําเนินการต่อด้วยความพักดีเป็นเงินถึง 3,000 กว่าล้านบาทเท่ากับที่ราชสํานักลงทุนไปในชีวิตอันเป็นปกติของมนุษย์มีใครไหมที่จ่ายเงินมากขนาดนี้ เปล่อยให้กิจาการล่มสลายไปต่อหน้าต่อตาอีกพักถึงจึงจัดการหานักบริหารมืออาชีพมาบริหารจัดการคณะผู้บริหารใหม่จึงเข้าแทนที่ชุดบริหารเก่าและเอียดแก๊งของสุดที่ชายยุ่นออกซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาในวงการบริหารจัดการของธุรกิจขนาดใหญ่แต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือสุดทีชัยุ่นเป็นขายใหญ่ที่มากบา ร, รมีในวงการสื่อสารมวลชน และตั้งแต่นั้นทักษิณก็ได้ศัตรูกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งจากค่ายเนชั่นผู้เสียผลประโยชน์โดยทำหน้าที่ทิ้มแทงตลอดตั้งแต่นั้นมาจนถึงการรัฐประหารเมื่อ19เก้ากันยายนสองพันห้า้อยสี่สิบเก้าแก๊งเนชั่นที่มีนายสุธิชัยยุ่นเป็นหัวหน้าใหญ่ก็เปิดโปงตัวเองโดยนำพาเทศไทยหยองเทศชายหยองน้องชายสุธิชัยยุนนายกนกรัวงศ์ุลและพรกคพวกที่โด่งดังหลายคน ร่วมมือกับคมชเข้าไปเป็นกระบอกเสียงและหาผลประโยชน์ในอสอมทและรตรทัศัดช่องของทหารอย่างอิ่มหนำสำราญกิจการไอทีวีภายใต้การบริหารใหม่ของเมืออาชีพนำโดยนายนิวัฒน์บุญทรงทำลงไพศาลค่ายทักษิ์ก็ทำกำไรทำให้ไอทีวีฟื้นชีวิตขึ้นมาได้แต่ก็ไม่พ้นศัตรูชั้นคูอย่างสุทิชยัยยุนและพรกพวกที่จะทิ้แทงและแย่งยึดกลับคืนได้ โดยสร้างเรื่องให้ฝ่ายทหารหตกกังวลว่าโทรทัศน์ไอทีวเป็นฐานอํานาจสําคัญของทักษิณ ท, ที่มีอิทธิพลต่อความคิดของประชาชนและเป็นแหล่งสําคัญทีส่สนับสนุนการเมืองให้ทักษิณพร้อมทั้งชงประเด็นให้พนเอกบุรยุทธ์รลานนท์ในานามรัฐบาลพมชโดยกล่าวหาว่าบริษัทไอทีวีกระทําผิดพร้อมกับยุให้ใช้อํานาจเผด็จการของรัฐบาลและอํานาจเผด็จการสภายึดไอทีวีไปดื้อ โดยออกเป็นกฎหมายอ้างว่าจะตั้งเป็นทีวีสาธารนณะพร้อมกันนั้นก็สั่งปรับบริษัทไอทีวีเป็นเงินถึง1น0 0 0แสนล้านบาทโดยไม่ยอมผ่อนผันก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นค่าปรับที่ไม่มีใครจะมีปัญญาจ่ายแน่นอนสุดท้ายระยึดไอทีวีไปให้กลุ่มในชั่นบริหารจัดการภายใต้ชื่อใหม่ที่หลอกลวงประชาชนได้เียนว่าโทรทัศน์ไทยีบีเอหรือโทรทัศน์สาธารณะและได้เพิ่มภาระให้แก่รัฐ ที่จะต้องเอาภาษีประชาชนมาจ่ายให้พวกแก๊งเงี้ชั่นใช้ปีละประมาณสองพันล้านบาทซึ่งแต่เดิมรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินแถมยังเก็บภาษีได้อีกโทรทัศน t v ทีวีจึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการดําเนินธุรกิจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ที่ใครจะขึ้นมาเมียมหน้าทางการเมืองก็ต้องพร้อมที่จะรับใช้โดยใจพักดีทั้งส่วนตัวและส่วนรวม บริหารตามนโยบายยิ่งจริงจังยิ่งสร้างศัตรูไม่มีนโยบายของรัฐบาลใดในโลกที่ได้รับความพอใจจากประชาชนทุกคนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลลองทําให้คนกลุ่มหนึ่งได้ประโยชน์และคนอีกกลุ่มหนึ่งเสียประโยชน์กลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็พอใจกลุ่มที่เสียประโยชน์ก็ไม่พอใจตัวอย่างเช่นนยโยบายนําหัวใต้ดินขึ้นบนดินแล้วนําเงินมาสนับสนุนการศึกษา ประชาชนย่อมพอใจแต่เจ้ามือหัวใต้ดินย่อมไม่พอใจหรือไม่โยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงๆังก็ย่อมทําให้เครือข่ายผู้ค้า ย, ยาเสพติดไม่พอใจเป็นต้นปัญหาจึงอยู่ที่คนเป็นนายกต้องกล้าตัดสินใจและยึดถือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นสําคัญดังนั้นถ้านายกกลัวจะกระทบตัวเองโดยมีศัตรูเก็ียดชังก็จะทําอะไรไม่ได้เลยโดยเห็นนี้เอง ยิ่งรัฐบาลทักสินปฏิบัติตานนโยบายที่ให้ไว้ต่อประชาชนอย่างจริงจังรัฐบาลทักสินก็ยิ่งก่อศัตรูมากขึ้นในต่างประเทศสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่สําหรับประเทศไทยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะจะมีอํานาจนอกระบบที่เข้มแข็งคอยช่วงชิงอํานาจโดยจกกัดกระเพือข่าวใส่ร้ายเพื่อไม่ให้รัฐบาลนั้นได้รับความพึงพอใจจากประชาชนและเมื่อเห็นว่ารัฐบาลนั้นมีแนวโน้ม ได้รับความนิยมสูงสุดจากประชาชนก็จะเป็นที่จับตามองของรัฐสภานักและเมื่อถึงจุดที่เห็นว่าจะกระทบต่อนหน้าจเบื้องบนแล้วเครือข่ายราชสภานักก็จะทําหน้าที่รวมศูนย์ทำลายโดยการโจมตีใส่หลายเบ็ดเบือนข้อเท็จจริงรวมถึงการใช้อำนาจค้นล้มรัฐบาลซึ่งในอดีตหลายรัฐบาลก็โดนกระทํามาเช่นนี้แต่รัฐบาลทักษิณโดนอย่างหนักหน่วงที่สุดเพราะเป็นรัฐบาลพละเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นรัฐบาลแรกนับต่นั ต, นตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาที่มีความเข้มแข็งที่สุดสามารถจัดตั้งรัฐบาลด้วยพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวและเป็นรัฐบาลแรกที่สามารถแก้ปัญหาได้โจนใจประชาชนที่สุดตลอดระยะเวลายาวนานของระบอบประชาธิปไตยที่ล้มลุกคลุกคลานทําให้ระบบพรรคการเมืองไม่สามารถจะทํางานบริหารบริการประชาชนอย่างต่อนเนื่องได้ ผู้นำรัฐบาลทุกคนที่ได้สัญญากับประชาชนก่อนการเลือกตั้งว่ามีนโยบายที่จะสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างนั้นอย่างนี้ก็มักจะทําไม่ได้โดยเพราะเป็นรัฐบาลผสมหลายภาคบ้างเป็นรัฐบาลอายุสั้นบ้างหรือนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงนักการเมืองผู้ฉ่วยโอกาสพูดเก่งแต่ทํางานไม่เป็นจึงไม่สามารถควบคุมและขับเคลื่อนระบบข้าราชการที่มีกฎระเบียบซับซ้อนและเปิดช่องให้ข้าราชการเฉยงานได้ ระบบข้าราชการจึงเหมือนม้าดื้อที่ยากแก่การบางังคับ ย, ยิ่งราชสำนักพยายามสร้างเกราะคุ้มกันไว้หลายชั้นในที่สุดอำนาจของรัฐบาลไม่อาจขับเคลื่อนระบบข้าราชการให้ดำเนินการตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพในเวลาที่จํากัดได้ประชาชนจึงเสื่อมศรัทธาไม่เชื่อถือต่อนักการเมืองจนกล่าวกันติดปากว่าพวกนักการเมืองดีแต่พูดและสุดท้ายความเบื่อหน่ายที่สะสมเช่นนี้ จึงกลายเป็นฐานแห่งการก่อกกำเนิดการซื้อเสียงเพราะประชาชนไม่อาจจะได้รับผลประโยชน์ใดๆจากสัญญาของพรรคการเมืองจึงเรียกรับเอาผลประโยชน์เฉพาะหน้าแต่รัฐบาลที่มีเสียงข้างมากที่มีความเข้มแข็งอันเป็นผลจากรัฐธรรมนูญปี2540ประกอบกับตัวนายกทักษิณเป็นนักบริหารที่มีความสามารถกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจและกล้าที่จะบงังคับบัญชาข้าราชการที่เป็นเสมือนม้าลื้อ ให้ปฏิบัติตามนโยบายประชาชนจึงได้รับประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลทักษิณอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นครั้งแรกดังนั้นจึงก่อให้เกิดความขัดแย้งกับข้าราชการที่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานหนักซึ่งวัฒนธรรมข้าราชการนั้นเป็นวัฒนธรรมของขุนนางเจ้านายประชาชนที่กินข้าวร้อนนอนตื่นสายอีกทั้งนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ก็ยิ่งก่อศัตรูมากขึ้นเช่นกัน ก็ยิ่งก่อศัตรูมากขึ้นเช่นนโยบายทาสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังก็ทําให้เครือข่ายยาเสพติดที่มีตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงเมืองหลวงมีตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดาจนถึงคนที่มีสีที่มีทั้งตำรวจทหารและข้าราชการเสียผลประโยชน์จากนโยบายนี้ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมที่มีระบบการจัดตั้งซอนอยู่ในระบบระบบของรัฐที่ตั้งตนเป็นปฏิบักษต่อรัฐบาลทักสิณอย่างเอาเป็นเอาตาย นโยบายสาสิบาทรักษาทุกโรคทําให้หมอตีตามร้านขายยาและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่พอใจในนโยบายของทัศ น, นิลเพราะนับแต่ใช้นโยบายนี้ประชาชนทุกคนก็ถูกดึงเข้าสู่ระบบสาธารณสุขของโรงพยาบาลด้วยราคาที่ถูกกว่าไปซื้ อ, อยาหมอตีตามร้านขายยาชาวบ้านได้ประโยชน์มากแต่หมอตีเสียประโยชน์และแพทย์พยาบาลทํางานหนักมากขึ้นก็ไม่พอใจดังนั้นจึงไม่แปล ที่จะเห็นร้านขายยาส่วนใหญ่และหมอชอบเปิดโทรทัศน์เอฟทีวีสนับสนุนกลุ่มพันธมิตรนโยบายกองทุนหมู่บ้านโดยรัฐบาลให้เงินหนึ่งล้านบาทแก่ทุกหมู่บ้านและทุกชุมชนในเขตเทศบาลโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านได้นาเงินกองทุนนี้ออกหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันกู้ด้วยดอกเบี้ยราคาถูกทำให้ในายทุนตามหมู่บ้านและชุมชนที่ปล่อยกู้ด้วยดอกเบี้ยมหาโหดขาดรายได้ จากการปล่อยกู้ไม่พอใจนโยบายของรัฐบาลนโยบายนำหวยใต้ดินขึ้นบนดินโดยรัฐบาลเป็นเจ้ามือเองขายหวยสามตัวสองตัวแข่งกับเจ้ามือหวยใต้ดินที่เป็นเครือขายใหญ่และเป็นต้นราก ข, ของระบบเจ้าข่อมาเปียที่จะต้องร่วมมือกันระหว่างเจ้าข่อกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยเาพาอจะทาหวยและส่งสวยให้แก่ตำรวดลงทัก และเจาหนาที่ปกครองสุด ข, ข่ายที่เลวร้ายนี้มีเงินหมุนเวียนกันเป็นแสนล้านตามผลงานวิจัยของนายสังสิทธิริยะลังสันนักวิชาการในมหาวิทยาลัยซึงเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือะะเพราะเฉพาะที่รัฐบาลเพิ่งเข้าไปแย่งตลาดในปีแรกมาส่วนหนึ่งก็ได้เงินมาใช้บริหารงานของรัฐเป็นจานวนเงินกว่าหมื่นล้านบาทต่อปีเครือข่ายหวยใต้ดินนี้ยิ่งใหญ่มากเพราะฝังรากลึก มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีแล้วและเจ้ามือหวยใต้ดินรายใหญ่สุดจะอยู่ที่เยาวราชกรุงเทพมหานครและกระจายสายอยู่ในตัวจังหวัดทุกจังหวัดดังนั้นเครือข่ายเจ้าพ่อเจ้าแม่หวยเถื่อนจึงเป็นศัตรูของรัฐบาลทักษิณที่มีอันตรายไม่ยิ่งย่อนไปกว่าพวกพ่อค้ายาเสพติดเพราะมีลักษณะเป็นองค์กรจัดตั้งที่ซ่อนอยู่ในองค์กรมวลชนและองค์กรจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นเมื่อมีสัญญาณไฟเขียวจาก ผู้มีบรารมีนอกรัฐมนูลและยิ่งมีสัญญาณแน่ชัดว่ารัฐสํานักไม่พึงพอใจต่อรัฐบาลทักษิณด้วยแล้วรัฐบาลที่เข้มแข็งของทักษิณก็ไม่อาจจะต้านทานได้แปรรูปรัฐวิสาหกิจคือแปรประโยชน์เจ้าและสหภาพในยุคโลกรายมแดนรัฐวิสาหกิจมิได้เป็นเพียงบริการสาธารณะแต่รัฐวิสาหกิจ ได้กลายเป็นต้นทุนพื้นฐานทางการผลิตของสินค้าทุกชนิดโดยเฉพาะข้าวไฟฟ้าดังนั้นการบริหารจัดการจะต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่ต้องมีต้นทุนต่ำสุดแต่มีประสิทธิภาพสูงสุดแต่จากความเป็นจริงรัรฐวิสาจิตก็คือระบบราชการภาคธุรกิจที่การบริหารจัดการไม่ได้แตกต่างจากระบบราชการไทยที่เป็นระบบขุนนางเลยจะเห็นได้ว่าภ้าราชการนั้น เวลาบริการประชาชนผู้ไม่มีเส้นสายจะอึดอาดล่าช้าแต่จะบริการคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ด้วยความรวดเร็วและยิ่งถ้าเป็นการบริการราชสํานักก็จะยิ่งรวดเร็วเป็นพิเศษซึ่งระบบงานรับวิสาหกิจก็เป็นเช่นนี้ระบบงานรับวิสาหกิจจึมีลักษณะเป็นธุรกิจใช้ธุรกิจเครือข่ายของราชสํานักที่ต้องบริการราชสํานักเป็นอันดับแรกโดยพนักงานรัฐวิชาวิสาหกิจก็คล้ายกับขุนนางที่ได้เงินเดือน โดยไม่ให้ความสนใจต่อลูกค้าที่เป็นประชาชนการบริการประชาชนจึงเป็นงานรองและยิ่งรับวิสาหกิจที่มีลักษณะผูกขาดด้วยแล้วประชาชนจึงกลายเป็นผู้ขอส่วนบุญในการรับบริการจากกิจการไฟฟ้าหรือโทรศัพท์ดังจะเห็นได้เมื่อไปขอรับบริการก็จะต้องนั่งคอยและคอยรับอารมณ์ของพ น, งนัการรับวิสาหกิจด้วยและเพื่อให้ฝังลึกความรู้สึกแบบขุนนางเช่นนี้ แก่ทุกคนในองค์กรและรัฐวิสาหกิจก็ได้สร้างวัฒนธรรมการสร้างแรงจูงใจว่าใจคิดราชสํานักโดยาการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานรัาฐวิสาหกิจด้วยและคณะกรรมกา ร, ร, าการหรือบอร์ดจนใหญ่ก็เป็นข้าราชการประจําเกือบทั้งหมดส่วนใหญ่มาจากประหลัดกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยได้เงินเดือนสูงเบี้ยประชุมแพงอย่างน้อยประชุมครั้งละไม่น้อยกว่าหนึ่งมืนบาทดังนั้น ทุกคนจึงมีวัฒนธรรมที่ต้องขึ้นต่อราชสำนักเช่นเดียวกับข้าราชการดังนั้นในธรรนองเดียวกันเมื่อราชสำนักต้องการประโยชน์เป็นส่วนส่วนพระองค์ตามพระราชอัธยาศัยรัฐวิสาหกิจก็มีหน้าที่จะต้องควักเงินและประโยชน์ต่างๆมากมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงกำไรขาดทุนเพราะทุนทั้งหมดเป็นของรัฐดังตัวอย่างที่เห็นซึ่งเป็นหนึ่งในหลายตัวอย่างที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่างจงกลายเป็นความเคยชินของสังคมไปแล้วเช่น การเป็นแฟนเซอร์รายใหญ่ของการวินไทยและกองสลากในการสร้างภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยเพื่อชดชูการเป็นวีรสตรีของสมเด็จพระราชินีในสมัยอยุธยาที่ยอนเสียสละชีวิตเพื่อช่วยพระสวามีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเดม็จพระบรมราชินีนาถการแปรพระราชาฐานไปพักผ่อนตามพระราชบรต่างๆตามเขื่อนและตามภูเผา ก็เป็นหน้าที่ของการไปฟ้าฝ่ายผลิตเจ้าของสถานที่ที่จะต้องคักเงินมาจ่ายหรือการบริการเครื่องบินเพื่อการเสด็จประพาสของพระเจ้าอยู่หัวรละสายาและข้าราชบริพารทั้งหมดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งโดยเสด็จในงานราชการและเป็นการส่วนพระองค์ดังนั้นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจึงเป็นการนำลัดวิสาหกษษษษิจเข้าสู่กลไกการตลาด จะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานแห่งกำไรขาดทุนในระบบธุรกิจของระบบทุนนิยมโดยไม่อาจจะคักเงินไปใช้ตามชอบใจหรือบริการที่ไม่มีข้อจำกัดแบบที่เป็นอยู่ในรูปแบบเดิมๆได้เพราะต้องถูกควบคุมเข้มงวดขึ้นจากกลไกผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นการแปร ล, ลูปจึงเป็นการกระทบต่อประโยชน์ราชสํานักโดยตรงแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและต่อการผลิตของประเทศในโครงสร้างของโลกยุคไร้คมแดน มีการแข่งขันกันทางการท้าที่เข้มข้นเหมือนการทําสงครามรัฐวิสาหกิจเป็นของประชาชนจริงหรือเครือข่ายรัชสํานักได้สร้างวัฒกรรมครอบงําสังคมไทยอย่างบิดเบือนข้อเท็จจริงว่ารัฐวิสาหกิจเป็นของประชาชนจึงเป็นความถูกต้องเพียงครึ่งเดียวที่ถูกต้องนั้นต้องกล่าวว่าโดยรูปแบบรัฐวิสาหกิจเป็นของประชาชนแต่โดยเนื้อหา รัฐวิสาหกิจเป็นของราชสำนักและคณะบุคคลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วที่เป็นตัวอย่างรูปธรรมหนึ่งในหลากหลายตัวอย่างที่สังคมได้เห็นการนำเงินรายได้ของรัฐวิสาหกิจไปใช้ในรูปของการถวายเพื่อสนองตอบแนวพระราชดำริและตามพระราชอธยาศัยในวารัต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้นๆเลยซึงทําให้ต้นทุนรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ต้องเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นและเมื่อประสบกับภาวะขาดทุนจนไปไม่ไหวประชาชนก็รับภาระไปโดยรัฐบาลจะนำเงินภาษีไปโปะชดเชยให้หรือกู้หนี้ยืมสินโดยรัฐบาลค้ำประกันแนวคิดรัฐวิสากิจเป็นของประชาชนการแปรรูปรักษวิสากิจคือการขายชาติรัฐสํานักไม่เพียงแต่เป็นแกนหลักทางความคิดเท่านั้น แต่แนวคิดนี้ถูกตอกย้ำอย่างหนักแน่นด้วยสาภาพราแรงงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งเพราะเนื้อแท้ของการดําเนินธุรกิจในรูปของรัฐวิสาหกฤฤฤฤฤิจนั้นก็คือเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าของกิจการคือประชาชนเพราะประชาชนโดยปฏิเจตแต่ละคนต้องทํามาหากินขายกล้วยเสียวกล้วยแข่จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบในฐานะเจ้าของกิจการ อีกทั้งประชาชนก็ไม่มีองค์กรจัดตั้งของตัวเองที่จะมีความสามารถในการตรวจสอบได้จริงส่วนรัฐบาลในฐานะตัวแทนของประชาชนโดยกฎหมายก็ไม่อาจจะควบคุมตรวจสอบรัฐภิสาหกิจได้จริงเพราะตลอดระยะเวลา70ปีที่ผ่านมาของการพัฒนาการทางการเมืองไทยไม่เปิดโอกาสให้มีรัฐบาลของประชาชนอย่างแท้จริงได้รัฐบาลส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของขุนนางและกลุ่มชนที่ร่วมมือกับพวกขุนนางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารซึ่งมีระยะเวลายาวนานในการปกครองประเทศไทยดังนั้นรัฐบาลของไทยที่ผ่านมาก็คือกลุ่มขุนานางอภิสิทธิชนด้วยเหตุนี้โครงสร้างของรัฐธิสาหกิตผู้ที่ได้รับผลประโยชน์หลักในลักษณะลุมถึงก็คือรัฐสำานกประกอบกับพนักงานและรัฐบาลประชาชนจึงได้ภาพลวงตาแห่งผลประโยชน์ในรูปของการมีไฟฟ้าใช้ มีน้ำกระตาใช้ได้เห็นรถไฟวิ่งแต่สิ่งที่ประชาชนต้องรับภาระตลอดการคือภาระหนี้สินที่เกิดทุกกิจการของรัฐวิสาหกิจขาดทุนหมดการบริหารของรัฐวิสาหกิจก็เป็นระบบเจ้าขุนมูลนายไม่แตกต่างไปจากระบบข้าราชการยิ่งนับวันยิ่งเลวร้ายไม่อาจจะแก้กปัญหาการขาดทุนและปรับปรุงระบบการบริการประชาชนได้เมื่อนานเข้าได้กลายเป็นภาระ แห่งการบริหารแห่งการบริหารรัฐยิ่งในยุคลายโลกไล้พทมแดนยิ่งกลายเป็นปัญหาเร่งเร้าของการบริหารรัฐ ส, สมัยใหม่มากขึ้นหลักฐานที่แสดงความล้มเหลวของระบบรัฐวิสาหกิจแบบไทยๆก็คือการล้มละลายของรัฐวิสาหกิจหลายแห่งในฐานะที่เป็นผู้ผูกขาดทางการค้าแท้ๆ แ, แต่ยังเจ๊งเช่นกิจการรอสพ อ, องค์การแก้วองค์การแบตเตอรี่ และอีกหลายกิจาการที่มีหนี้เสินล้นพ้นตัวอันไม่อาจพื้นชีวิตได้แล้วแต่ไม่ยอมล้มละลายและไม่ยอมแปลรูปเช่นกิจาการรถไฟองค์การค้าคุรุสภาเป็นต้นรูปประทามการหลุมถึงของพนักงานรัฐวิสาหกิจที่กระทำต่อ ก, กิจาการของตนเช่นใทยเคยเป็นบอร์ดการบินไทยแม้แต่วันเดียวได้บินฟรีตลอดชีวิตทั้งครอบครัว พนักงานการบินไทยและครอบครัวบินฟรีปีละครั้งและบินอีกครั้งก็ได้เสียค่าตั๋วแค่สิบเปอร์เซ็นตการได้ประโยชน์จากกิจา ก, กจารของรัฐวิสาหกิจของพนักงานที่เป็นกรณีพิเศษในลักษณะลุมถึงเช่นนี้มีในทุกกิจา ก, การรัฐวิสาหกิจเช่นพนักงานการรถไฟและครอบครัวนั่งรถไฟฟรีพนักงานการไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าฟรีจำนวนหนึ่งพนักงานโทรศัพท์ได้ใช้โทรศัพท์ ปีจำนวนหนึ่งเป็นต้นการจ่ายโบนัสของรัฐวิสาหกิจก็แตกต่างจากกิจการธุรกิจทั่วไปเกาคือกิจการค้าทั่วไปนั้นถ้าปีไหนขาดทุนก็ไม่มีโบนัสถ้ากำไรจึงจะจัดแบ่งโบนัสให้แต่การบริหารกิจการราัฐวิสาหกิจในแต่ละปีไม่ว่าจะขาดทุนหรือกาไรเขาจะแจกโบนัสกันทุกปีโดยถือเอาโบนัสเป็นต้นทุนของกิจการเพียงแต่ว่าถ้าขาดทุน ก็แจกโบนัสน้อยหน่อยถ้ากําไรก็แจกมากรวมตลอดทั้งเงินเดือนพนักงานก็ไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆเหมือนระบบราชการแต่ฐานเงินเดือนสูงกว่าข้าราชการมากดังนั้นการขึ้นเงินเดือนจึงไม่ต้องคํำนึงถึงผลงานว่าดีหรือไม่ดีเช่นคนเข้าเล่มเข้าเล่มหนังสือของโรงเพลงพุณรัฐสภาเงินเดือนสามหมื่นกว่าบาทหรือคนปูที่นอนบนรถไฟก็เงินเดือนใกล้เคียงกันนี้เป็นต้น ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงรูปธรรมบางส่วนของการลุมถึงซึ่งเป็นเนื้อแท้ของรัฐวิสาหกิจแบบไทยๆและปัจจุบันทั่วโลกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันดังนั้นการแปรรูปรักวิสาหกิจจึงกลายเป็นแนวทางของการบริหารรัฐสมัยใหม่ในประเทศที่พัฒนาแล้วต่างก็ทํากันทั้งนั้นแต่ทุกประเทศก็ต้องเผชิญกับปัญหาการต่อต้านของสถาภาพแรงงานประเทศไทยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันแต่ประเทศไทยมีลักษณะพิเศษมากกว่าที่มีอํานาจนอกระบบ เส่อมอำนาจจากราชสำนักและอำนาจขององค์การทหารทีพร้อมจะเข้าช่วงชิงอำนาจทางการเมืองของรัฐบาลคนลเรือนเสมอมาดังนั้นจะเห็นได้ว่าในโครงสร้างของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ได้ขยายเครือข่ายระบอบขุนนางทั้งรูปการกิตขวัญึกและรูปการจัดตั้งองค์กรครอบงำองค์กรต่างๆในสังคมไทยรวมทั้งครอบงำองค์กรรัฐวิสาหกิจด้วยโดยกรรมกรได้ถูกปูนบําเหน็จให้มีฐานะ เช่นขุนนางโดยโดยได้รับเครื่องราชอิสรยาภรณ์เสมอเช่นขุนนางจนลืมกําเพื่อชนชั้นผู้ใช้แรงงานของตนจนหมดเส้นกรรมกรรัดวิสาหกิจได้ถูกครอบงําให้มีจิตสํา น, กนึกแบบราชสํานักที่ด่วงกันกดขี่ประชาชนโดยฝักภาระหนักตกอยู่บนหลังของประชาชนซึ่งประชาชนไม่เทียงแต่ต้องทนต่อภาระหนี้สินที่ราชสํานักและพนักงานและนักการเมืองร่วมกันก่ อ, กกอขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องรับกรรมจากภาระการบริหารที่เลวร้ายอย่ไม่มีทางเลืออีกด้วยโดยเหตุนี้ภาพของสถาบันแรงงานซึ่งทั่วไปเป็นภาพของตัวแทนของผลประโยชน์ของกรรมกรผู้ทุกญาติแต่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่สถาบันแรงงานรัฐวิสาหกิจจึงเป็นภาพลวงตาว่าเป็นองค์กรตัวแทนชนชั้นกรรมกรแต่เนื้อแท้คือมือไม้ของขุนนางที่ร่วมมือกับราชสำนักแปรเนื้อเถือหนังประชาชนนั่นเอง โดยโครงสร้างที่ซับซ้อนของระบอบการปกครองของไทยปัจจุบันสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาต้นทุนพื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคในยุคโลกไร้คมแดนได้แม้จะมีรัฐบาลพลเรือนที่เข้มแข็งอย่างรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณโดยมีเจตนาที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนอย่างนานาอารยประเทศแต่สุดท้ายรัฐสํานักก็ใช้กลไกสาภาพแรงงานที่กล่อมกล่าวกลายเป็นขุนนางใหม่ร่วมกับทหาร แลพันธมิตรค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยอย่างแนบเนียนปฏิรูประบบราชาการกระเทือนราชสำนักระบบข้าราชาการนี้โดยเนื้อแท้เป็นองค์กรที่มี่านอำนาจของราชสำนักโดยตรงเพราะโดยความหมายของคาว่าข้าราชาการก็แปลตรงตัวว่าที่ค่าแห่งกิจการของราชาดังนั้น อลักยาสูงสุดของข้าราชการคือบริการพระราชาไม่ใช่บริการประชาชนจึงก็มีรูปธรรมให้เห็นเด่นชัดเช่นเอกอัครราชทูตและทูตพาณิชย์ในประเทศที่พระมหากษัตริย์และเชั้วพระวง์เสด็จไปบ่อย ๆ, ๆเช่นอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอเมริกาก็จะมีหน้าที่หลักในการเฝ้ารับเสด็จและรักใชใ้ใต้เบื้องยุคโคลบารดเป็นหลักไม่ใช่มุ่งหาตลาดส่งออกสินค้าเกษตรกรเป็นหลักรวมตลอดทั้งเป็นผู้จัดจซื้อสินค้าข้าวของเครื่องใช้ ในห้องน้ำห้องบรรทมที่ส่งโปรดจัดส่งถวายเป็นระยะๆะะโดยมีการบินไทยรับหน้าที่เป็นผู้ขนส่งเป็นต้นและจัดด้วยเป็นเพราะพวกหัวหน้าพรรคการเมืองที่ข้างบอร์ดรู้ถึงรหัสอันตรายนี้แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นความจำเป็นที่ต้องปฏิรูประบบราชการจึงได้ปรา ป, ประกาศนโยบายปฏิรูประบบราชการมานานนับสิบปี แต่แล้วก็หายไปกับสายลมอาทิเช่นนายชวนหลธก์ไทยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายบรรหารศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยคนเอกชาวกรียงใจยุทธหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ก็ได้ประกาศนโยบายปฏิรูประบบราชการมาช้านานก่อนที่ทักษิณจะเข้าสู่วงการการเมืองว่าหากเขาได้เป็นนายกเขาจะดาเนินการปฏิรูประบบราชการทันทีแต่จนแล้วจนรอดนับเป็นเวลากว่าสิปีแล้วก่อนที่ทักษิณจะมาเป็นนายก ก็ไม่ทํากันสักทีตั้งแต่นายชวนเข้ามาเป็นนายกสองรอดในปัญหาลและผลเอกชวลิตก็ปล่อยให้ระบบราชการคงเป็นระบบขุนนางถ่วงการพัฒนาประเทศสืบต่อมาโดยเฉพาะเกงว่าจะราคาของเบื้องพรายโคละบาทระบบราชการจึงกลายเป็นภาระของประชาชนที่ลัดต้องใช้ภาษีเกินกว่า 50% ของงบประมาณประจําปีไปเป็นเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงข้าราชการที่ทํางานบริการประชาชนแบบเช้าชามเย็นชาม เมื่อพันตำรวจโททักษิณขึ้นเป็นนายกผู้มนตรีปีแรกขอ2544ก็ประกาศปฏิรูประบบราชการ ท, าทันทีด้วยมาตรมารการ3ขั้นมาตรการที่1ทําการจัดหมวดหมู่กระทรวงใหม่วางกระทรวงยุคและวางกระทรวงก็จัดตั้งใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกและการแก้ปัญหาของประชาชนในประเทศไทยมาตรการที่2ลดขนาดจํานวนข้าราชการเปิดทางให้ข้าราชการที่เหนื่อยนายต่อหน้าที่การงาน ลาออกก่อนกำหนดโดยให้เงินชดเชย Early Retirement ส่วนพวกที่ยังอยู่ก็เพิ่มเงินเดือนให้สูงขึ้นและมาตรการที่สามก็ดำเนินการเร่งรัดประสิทธิภาพโดยการจัดให้ทุกหน่วยงานตรวจวัดคุณภาพการทำงานเฉพาะมาตรการหลักๆสามาตรการนี้ก็ทำให้ข้าราชการส่วนหนึ่งไม่พอใจโดยเฉพาะมาตรการที่สามเนื่องจากระบบราชการไม่เคยมีการตรวจวัดคุณภาพกันข้าราชการหลายหน่วยงานมีการเคลื่อนไหว ประทวงขัดขางนโยบายนี้มากเป้าหมายการปฏิรูประบบราชการนี้ท่านตำรวจ โ, โททักษิณมีความมุ่งหมายชัดเจนโดยประกาศต่อสาธารณชนหลายครั้งว่าเพื่อจะเปลี่ยนระบบราชการให้เป็นระบบการบริหารแบบภาคธุรกิจเอกชนที่ราชการจะต้อ ง, ม, งมุ่งถึงประสิทธิภาพของผลงานไม่ใช่เน้นแต่ความถูกระเบียบโดยไม่คำนินถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ัละพยายามปรับปรุงระบบงานราชการจากรัฐโบราณให้เป็นรัฐสมัยใหม่ด้วยการใส่เทคโนโลยีระบบข้อมูลข่าวสารเข้าไปเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการบริหารการบริการประชาชนเช่นการจัดทำบัตรประชาชนซึ่งแต่เดิมมีความยุ่งยากมากโดยเฉพาะเมื่อทําบัตรประชาชนหายทุกคนที่ไปรับจ้างทํางานอยู่นอกกรุงลาเนาจะต้องลางานนานเป็นสัปดาห์เพื่อใช้เวลาไปทําบัตรประชาชนใหม่ โดยทุกคนจําเป็นต้องเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของตัวเองเพื่อขอทําบัตรใหม่โดยจะต้องค้นหาข้อมูลจากสมุดเล่มใหญ่ๆที่มีเป็นสิบๆเล่มเพื่อดูว่าครั้งก่อนเขาเคยทําบัตรไว้เมื่อไหร่ซึ่งกลายเป็นช่องทางทำมาหากินของเจ้าหน้าที่บนอําเภอทุกแห่งเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเป็นปกติของชีวิตคนไทยซึ่งนอกจากต้องเสียทั้งเงินทั้งเวลาทํางานแล้วยังจะต้องตกเป็นเบี้ยล่างให้พวกข้าราชการที่คิดทุจริต รีดไถกลายปเป็นการคอลเลคชันประจําวันตามที่ทําการอําเภอต่างๆแต่เมื่อปฏิรูประบบราชการโดยใช้ระบบข้อมูลออนไลน์เข้ามาใช้การทําบัตรประชาชนใหม่กรมีต่ออายุหรือบัตรหายใช้เวลาแค่เพียงสิบนาทีโดยประชาชนสามารถไปทําที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องเสียเวลาการลางานเพื่อกลับไปภูมลำนาวของตนอีกเลยและเป็นการปิดช่องทางการทุจริตจากการทําบัตรของเจ้าหน้าที่บนฐานที่ราชการ ความมุ่งหมายที่จะปรับปรุงระบบราชการให้ทันสมัยเช่นนี้ได้กลายเป็นความหวานระแวงอีกเรื่องหนึ่งของราชสำนักเพราะเป้าหมายหลักของระบบราชการนั้นเป็นเครื่องมือในการควบคุมระบบรัฐให้เกิดความมั่นคงต่อราชสำนักไม่ใช่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่จะสร้างความนิยมให้แก่พันตํารวจโชตักสิง์และพักการเมืองของพันตํารวจโชตักสิงห์ดังนั้นรูปธรรมความไม่พอใจก็เกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเหลือน้อยลงต้องทํางานหนักขึ้นในการบริการประชาชน เพื่อให้คุมกับเงินเดือนที่ได้รับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ต้องมีภาระและความรับผิดชอบมากขึ้นเช่นเอกอัครราะชะทูตก็ต้องเป็นทั้งทูตและเป็นทั้ง พ, อพ่อค้าเพื่อหาเงินเข้าประเทศผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นพ่อเมืองที่ดูแลรัศฎรจริงๆโดยจะปัดภาระความรับผิดชอบว่าไม่ใช่งานของกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ตามโครงการผู้ว่า CEO เป็นต้นซึ่งก่อสร้างความไม่พอใจแก่ข้าราชการที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมขุนานาง ภาวะการเช่นนี้ใน้สร้างความวิตกกังวลแก่ราชธรรนักว่าหากปล่อยให้ระบบราชการเปลี่ยนแปลงไปเช่นนี้ในที่สุดระบบข้าราชการที่เป็นฐานอำนาจในการรับใช้ราชธรรนักทั้งที่เป็นเครื่องมือในการรักษาอำนาจและที่เป็นเครื่องมือรับใช้บริการเป็นส่วนตัวก็จะต้องแปรเปลี่ยนไปและประกอบกับความไม่พอใจของข้าราชการที่เคยจัดกินข้าวร้อนนอนตื่นสายใครๆก็กล่าวว่าใครๆก็ว่ากล่าวไม่ได้ ต้องกลายมาเป็นที่ฆ่าประชาชนและถูกตรวจสอบติดตามผล ง, งานอย่างเป็นระบบก็กลายเป็นปฏิบัติกับรัฐบาลทักษิณและกลายเป็นประเด็นที่พันธมิตรนํามาโจมตีพันตารวจโททักษิณว่าได้ใช้อิทธิพลครอบงาระบบราชการเพื่อไปสนับสนุนตนเองและที่ขาดไม่ได้ก็คือการหาเรื่องโยงให้ถึงความให้ถึงความไม่จริงลทักษิณในที่สุดเหตุการณ์ก็ตกผลึกทางความคิดที่ทหารพร้อมจะเข้ารับใช้ โดยขับรถย้อนสอนระบอบประชาธิปไตยทำการยึดอำนาจเพื่อสนองพระราชปฏิธานเมื่อ19กันยายน2549หลักฐานปรากฏชัดเจนจากคำให้สัมภาษณ์โนอินของทักษิณที่ยืนยันว่าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีนั่งประชุมร่วมกับประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองโดยวางแผนยึดอำนาจที่บ้านของหม่อมหลวงรีมาลากุลที่บ้านในซอยสุภุมวิทย์โิน เมื่อ27มีนาคม2552ในการชุมนุมคนเัื้อแดงหน้าทำเนียบรัฐบาลและต่อมาคนเอกพันลบปิ่นมณีที่นั่งร่วมประชุมด้วยก็ยืนยันว่าเป็นจริงนโยบายประชานิยมแต่รัชสำนักไม่นิยมนโยบายประชานิยมหลายโครงการได้สร้างความนิยมในตัวพันตำรวจโททักษิณในหมู่ประชาชน โดยเฉพาะคนราษฎรในชนบทที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจและหวาดระแวงแก่ราชสำนักเป็นอย่างมากโดยมีเสียงขะท้อนเล็ดรอดออกมาจากล้ ว, วงวังเช่นนโยบายกองทุนหมู่บ้านหมู่บ้านละล้านทําให้ประชาชนมีนิสัยฟุ่มเฟือยชาวบ้านมักจะกู้เงินกองทุนไปซื้อโทรศัพท์มือถือของพันตํารวจโทรัศน์สินทําให้ชาวบ้านเป็นหนี้เป็นสินไม่สอดคล้องกับแนวพระราชดํำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามความเป็นจริงแล้วนโยบายนี้มีประโยชน์ต่อประชาชนในชนบทมากเพราะเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากระบบการกู้เงินนอกระบบ ท, ที่ขุดรีดดอกเบี้ยอย่างหนักซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปว่ามีการขูดรีดดอกเบี้ยกันถึงร้อยละสิบต่อเดือนหรือร้อยละหนึ่งร้อยยี่สิบต่อปีและรัฐบาลคอมมชเมื่อปฏิวัติมีอานาจเต็มก็ไม่กล้าล้มเลิกนโยบายนี้นโยบายหนึ่งตบล หนึ่งผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกเจดฝากว่าโอท็อก็ถูกกล่าวหาว่าไม่มีประโยชน์รัฐบาลน่าจะสนับสนุนกิจการศูนย์ศิลปาที่ของสมเด็จพระนางเจ้ามากกว่าและคําว่าโอท็อซึ่งย่อมาจากคําว่าว on, ันําบนวันผลักวันตําบลวันผลักหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวย่อชื่อของทักษิณและเธอยาคือวันทักษิณวันพจรมาน นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเป็นการบริการทางด้านสาธารณาสุขแนวใหม่ที่ประชาชนจะได้รับบริการจากรัฐอย่างเป็นระบบโดยทุกครั้งประชาชนที่เจ็บป่วยก็สามารถไปใช้บริการได้เองโดยโดยเป็นสิทธิของประชาชนซึ่งแต่เดิมประชาชนจะต้องรอหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการนานนานสักครั้งหนึ่งเหมือนสวรรค์เทวดามาโปรดและหากว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ยังไม่เข้าไปดูแลรักษา ก็ต้องดูแลตัวเองด้วยความทุกข์ทนทุกข์เวทนาซึ่งประชาชนมีชีวิตยอยู่เช่นนี้มาเป็นเวลานานา น, นโยบายสาสิบาทรักษาทุกโรคได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนแนวคิดปรัช ญ, ญาจากรัฐเจ้าขุนมูลนายไปสู่รัฐ บ, บริการประชาชนที่ประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับบริการซึ่งการบริการลักษณะนี้ได้กระทบต่อลักษณะการบริการที่ราฐสํานักะจะทํามาแต่เก่าก่อ น, อนโดยใช้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เช่นหน่วยแพทย์อาสาของสมเด็จพระราชินี พระราชนีเดินทางไปให้บริการประชาชนในชนบทซึ่งนานๆจะไปสักครั้งหนึ่งในจุดบริการหมู่บ้านเดียวกันนั้นและทุกครั้งที่ได้รับยาประชาชนจะต้องรากไหว้เป็นบุญคุณล้นพ้นเสมือนหนึ่งเทพผู้โปรดสัตว์ภาพเช่นนี้คนไทยจะเห็นอยู่ทางโทรทัศน์ในข่าวพระรา ช, ราชสำนักตอนสองทุ่มทุกเมื่อเช้าวันเป็นเสมือนการทาบุญด้วยเวทนามากกว่าเป็นบริการของรัฐดังนั้นเมื่อพันตารวจโทรทัศน์สิงห์ จัดระบบให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนโดยเดินทางไปรับบริการได้ทันทีในฐานะผู้ถือบัตรทองที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งไม่ต้องนั่งคอยรถบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เหมือนแต่ก่อนลักษณะ น, นโยบายเช่นนี้ต้องกระทบต่อการสร้างภาพการให้ทานในฐานะเจ้าบุญนายุที่สถิตอยู่เหนือประชาชนนโยบายหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอ ที่ใช้เงินหวยใต้ดินที่นําขึ้นมาบนดินเป็นเงินได้เดือนละประมาณหนึ่งพันล้านบาทส่งลูกคนจนในชนบทที่แยกการแข่งขันในแต่ละเขตอําเภอเป็นผลให้เด็กชนบทที่เรียนเก่งมีโอกาสแข่งขันได้คุณไปเรียนต่างประเทศซึ่งในอนดีตใครอยากชิงคุณไปต่างประเทศจะต้องเดินทางไปสอบรวมกันที่กรุงเทพทั้งลูกคนจนคนรวยร่วมกันสอบแข่งแ ข, ข่งขันชิงทุนมหิดนินของราชสานัก ซึ่งทำให้ลูกคนจนต้องเสียเปลียบในการแข่งขันเพราะนอกจากจะเสียเปรยียบลูกคนรวยที่อยู่ในกรุงเทพอยู่แล้วยังจะต้องเสียเปรยียบจากการเดินทางเข้ากรุงเทพอีกซึ่งคนจนก็ไม่มีค่าพาหนะเดินทางและไม่มีที่พักค้างคืนในกรุงเทพอีกทั้งจํานวนนักเรียนที่จะได้รับทุนในอดีตนั้นก็มีจํานวนน้อยแต่ปรากฏว่าทุนหวยบนดินตามนโยบายนี้มีจํานวนมากเพียงปีเดียวก็มีทุนให้ไปต่างประเทศเกือบ900คน ซึ่งมากกว่าที่ระบบราชการเดิมเคยทำในนามคุณมหิดลถึงสิบีอีกทั้งผู้ที่จะเข้ารับทุนนี้ก็กำหนดรายได้ของผู้ปกครองว่าต้องเป็นคนจนเท่านั้นด้วยและให้แบ่งสอบแข่งขันแยกกันไปอำเภออำเภอไปจึงทำให้ลูกคนจนในชนบทได้รับโอกาสและแทนที่จะตั้งชื่อยกให้เป็นเกียรติแก่รัชธรรมนักแต่รัฐบาลการกำหนดโททัศ์สิงก็กลับไปเรียกชื่อว่าโครงการหนึ่งทุนหนึ่งอเภอ ก็เกิดความไม่พอใจจากราชสำนักโครงการที่ดูเหมือนว่าเป็นอันตรายมากที่สุดก็คือโครงการแก้ปัญหาความยากจนกรณีอาจสามารถที่พันตำรวจโททักษิณได้ออกแสดงบทบาทโดยลงไปค้างคืนในชนบทเพื่อทำเป็นตัวอย่างโดยการสำรวจความยากจนของประชาชนและร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและนายอเภออาจสามารถ ในการแก้ปัญหาเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการทุกจังหวัดได้เป็นแนวทางปรากฏว่าจากกรณีนี้ได้มีเสียงสะท้อนจากราชสำ น, นักชัดเจนว่าไม่เป็นที่พอใจเพราะแนวทางการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาความยากจนซึ่งแตกต่างจากที่พันตำรวจโททักษิณทำอยู่และนักแต่เหตุการณ์กรณีอาจสามารถนี้ก็กลายเป็นจุดกระทุที่ส่งสัญญาณให้เห็นเป็นชัดว่า นายกทักษิณเป็นอันตรายหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านโยบายของทักษิณเป็นนโยบายที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่รัฐสภามีความระแวงในตัวพันตารวจททักษิณจนขยายผลไปถึงนโยบายต่างๆ่ังจะเห็นได้จากการโจมตีนโยบายของทักษิณอย่างรุนแรงมาตั้งแต่เริ่มแรกและรุนแรงมากขึ้นโดยเครื่อขา่ายราฐสภานักทั้งาราชการที่ปรึกษอาจารย์มหาวิทยาลายัย และแกนนำพันธมิตรประสานเสียงกันเป็นเสียงเดียวว่าระบอบทักษิณแต่เมื่อพวกเขายึดอำนาจเมื่อ19กันยายน49และตั้งองคมนตรีคนเอกุระยุทธ์เป็นนายกก็ไม่ได้ยกเลิกนโยบายของทักษิณและยิ่งเมื่ออุ้มนายอภิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกหลังจากโค่นล้มรัฐบาลสมัครและรัฐบาลสมชายได้สนใจแล้วก็ปรากฏว่า นายอภิสิทธ์ก็นํานโยบายที่พวกเขากล่าวให้ร้ายว่าระบอกทักสินหรือนโยบายประชานิยมนี้ไปใช้ทั้งดุ้นเพียงแต่ไปเรียกชื่อใหม่เพื่อเป็นการยกยอราชาสำนักทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาเช่นนโยบายกองทุนหมู่บ้านก็เปลี่ยนชื่อใหม่ว่านโยบายส่งเสริมชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงของความปั่นป่วนของการเมืองไทยนั้น แท้จริงมาจากราชํานักที่ไม่ยอมรับ ก, การปกครองในระบอบประชาธิปไตยและหวาดระแวงต่อความเข็งแขรงของระบบพรรคการเมืองและพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยโดยตัดสินใจทำลายทักษิ์ทั้งล้มรัฐบาลและสั่งฆ่ า, าซึ่งแต่หากเมื่อพรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อต้นปี2548โดยได้เสียงสสมากที่สุดเป็นประวัติการคือ377เสียง เสียงสาม้อยเจสิบเจ็ดคืออันตรายเราเคยได้ยินพักประชาธิปัตย์และนักวิชาการพูดจาถักฐานสสพักอื่นๆเสมอว่าภูมนักการเมืองชอบตั้งพักขึ้นมาเป็นเพียงพักเฉพาะกิจเดี๋ยวก็เลิกพราไม่รีวิดมการทําให้ระบอกประชาธิปไตยของไทยไม่เข้มแข็งแนวทางที่ถูกต้องนักการเมืองต้องสร้างพักให้เป็นสถาบันทางการเมืองอย่างพักประชาธิปัตย์ และยักล่าวถาฐานพันตำรวจโททักษิณว่าเป็นพวกเสร็จใจร้อนตั้งพักเดี๋ยวเดี๋ยวก็พรมเลิกทุกอย่างของการวิพากษ์วิจารณ์ข้างต้นผิดทั้งหมดเพราะพันตำรวจโททักษิณมีความคิดที่จะทําการเมืองจริงๆและมุ่งที่จะสร้างพรรคไทยรักไทยให้เป็นสถาบันทางการเมืองและผลที่ปรากฏต่อสาธารณชนก็ปรากฏว่าทําได้ดีกว่าพรรคเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์เสีอีกนั่นก็คือ พันตำรวจโททักษิณได้สร้างนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประชาชนสามารถจับกล้องได้ตามที่ได้สัญญาไว้จึงเป็นผลให้การเลือกตั้งทั่วไปในต้นปี2548พักไทยรักไทยจึงได้รับความเชื่อถือจากประชาชนโดยผู้สมัครสอสอของพักไทยรักไทยได้รับเลือกเข้ามามากถึง377เสียงจากเสียงในสภาผู้แทนทั้งหมดมี500เสียงทำให้พันตำรวจโททักษิณสามารถจัดตั้งรัฐบาลจากพักการจากพักการเมืองเดียว ได้เป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การเมืองไทยจึงทำให้เครือข่ายราชสำนักไม่พอใจและแสดงว่าพัานตำรวจโททักษินจะมีบา ร, รมีเหนือกว่าราชสำนักพเพราะเนื่องจากจำนวนสส377เสียงในสภานั้นไม่เพียงแต่เกินครึ่ง ข, ของสภาผู้แทนแต่เมื่อรวมเสียงของวุฒิสมาชิกอีก200เสียงแล้วเสียงของพรรคไทยรักไทยก็ยังเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาสส .500 เสียงบวกสอวสองร้อเสียง รวมเป็นสเสียงของสมาชิกรัฐสภาเจ็ดร้อยเสียงซึ่งตามรัฐธรรมนูญปีสองพันห้า้อยสี่สิบในหมวดพระมหากษัตริย์ได้ระบุให้รัฐสภาเป็นผู้รับรองรัชทายาทที่จะเก้าขึ้นมาเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งก็เป็นหลักการทั่วไปของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่รัฐสภาในฐานะตัวแทนประชาชนจะต้องรับรองกษัตริย์พระองค์ใหม่เมื่อถึงคราวผัดเปลี่ยนแผ่นดินแต่ในอดีตไม่มีปัญหา เพราะการผัดเปลี่ยนแผ่นดินยางไกลประกอบกับไม่มีพักการเมืองใดมีความเข้มแข็งที่คุมเสียงในส ภ, ภามากเท่านี้ด้วยเหตุกดั์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้จึงเป็นผลให้ศาสตราจารณ์การเมืองนับแต่นั้นมาเริ่มดิบคือความรุนแรงขึ้นดังนั้นข้อเท้จริงเหล่านี้จึงบ่งบอกให้เห็นชัดว่าชัดเจนว่าระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่อาจจะเบ่งบานภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ซึ่งเป็นระบอบ ก, การปกครองตัวจริงของไทยได้ กำจัดทักสิณเจรอขายรัชสำนักขับเคลื่อนเมื่อสัญญาณความไม่พอใจของรัชสำนักต่อกรณีความเข้มแข็งของรัฐบาลพักไทยรักไทยที่มีเสียงในรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่งเช่นนี้เริ่มดังขึ้นเจรอขายรัชสำนักก็เริ่มขับเคลื่อนและเป็นการขับเคลื่อนในช่วงที่ราชสำนักใกล้จะเกิดการขัดเปลี่ยนราชการจึงเกิดการรวมศูนย์อำนาจอย่างรุนแรงโดยแสดงบทบาทชัดเจนถึงระบอบการปกครองของไทยที่มีลักษณะพิเศษ คือระบบสมบูรณาญาสิทธิ์ที่ลาดใหม่นั่นคือได้มีตัวแทนรัชสํานักที่ชัดเนนจนและจัดอย่างเป็นระบบโดยการปรากฏตัวอย่างชัดเจนโดยการปรากฏตัวอย่างเด่นชัดของคนเน็กเต็นซินเนสุรานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญตัวจริงเริ่มต้นตั้งแต่ปลายรัฐบาลสมัยแรกประมาณปี2546 ถึง 2,547 ในภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่อิทธิพลของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคที่ตกอยู่ใต้อํนนานาจอิทธิพลของพนเอกเปลงได้มีการกล่าวปราศัยโจมตีพันตํารวจโททักษิณในลักษณะที่เชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์จนกระทั่งเกิดการเลือกตั้งทั่วไปในปีในต้นปี2548พักไทยรักไทยได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในสร้างความวิตกกั ง, งวลให้แก่ราชสภานักเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นไปตามความคาดหมายที่ราชสำนักไม่ตกกังวลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้แผนกาจัดทักสิงในฐานะที่เป็นบุคคลอันตรายต่อราชสำนักก็เกิดขึ้นเริ่มต้นของการใส่ร้ายที่เป็นพยานหลักฐานเด่นชัดถึงความไม่พอใจของราชสำนักก็คือตอนมีที่ศาสตราจารย์ดรรพีสาคลิกผู้เชี่ยวชาญด้านตุ้ยไมย้และทางานในโครงการหลวง ซึ่งเป็นผลใต้ชิดราชสำนักออกมาเปิดประเด็นเรื่องการทำบุญประเทศว่าพันตำรวจโททักษินไปนั่งในโบสถ์วัดพระแก้วโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังไปวางเก้าอี้นั่งของพันตำรวจโททักษินทัดที่ที่พระเจ้าอยู่หัวเคยประทับอยู่อันเป็นการอัดเอื้อมอย่างยิ่งได้กลายเป็นประเด็นการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์และสลงเครือข่ายใช้เป็นข้อกล่าวหาโจมตีอย่างรุนแรงและล่าสุดในสนธิริมทองกุลเมื่อเริ่มเกิดความขัดแย้งกับพันตำรวจโททักษิน เขาไม่ได้รับประโยชน์ตามที่ตนร้องขอให้ทักสิงช่วยเหลือก็ได้นําประเด็นนี้ออกโจมตีในรายการเมืองไทยไลายสัปดาห์ทางโทรทัศน์ช่อง9และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดศึกทำลายรัฐบาลพันตำรวจโทรทัศน์สินชนวัตรแม้สุดท้ายจะได้แสดงหลักฐานแล้วว่าสํานักพระราชาวังโดยราชเลขาธิการได้อนุญาตให้ใช้โหมดในวัดพระแก้วจัดงานทําบุญประเทศได้อีกทั้งเคยมีส่วนราช ก, การ กระทรวงต่างๆเคยขอพระบรมราชานุ ญ, ญาติให้ประกอบพิธีเช่นเดียวกันไม่ใช่ทักษิณทําอยู่คนเดียวแต่ก็ไม่อาจจะหยุดกระแสการทําลายของเครือข่ายราชสำนักได้การใส่ร้ายตจนตีต่อพันตำรวจโททักษิณจากเครือข่ายราชสำนักได้การจะทําต่อเนื่องในทุกประเด็นเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์ของราชสำนักและสร้างข่าวปิดล้อมข้อมูลที่จะถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าให้เป็นไปในทางเดียวกัน โดยกล่าวหาแม้กระทั่งเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อเช่นทักษิณคือพระเจ้าตักสินกับชาติมาเกิดเพื่อทวงคืนพระราชวลลังทักษิณคือตัดสิงศักชาติมาเกิดการโจมตีใส่ร้ายป้สีทางการเมืองต่อพันตำรวจโททักษิณในฐาะนะนายกรัฐมนตรีได้จะทำกันอย่างหลากหลายรูปแบบทั้งในเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และเหตุผลทางไซย า, าส์ โดยกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ได้ผลิตกำลังกับเครือข่ายรัชสำนักสร้างข้อมูลเพื่อให้รัชสำนักและประชาชนเชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยว่าพันตำรวจโททัศนินเป็นอันตรายต่อรัชสำนักอย่างแน่นอนเพื่อผู้เสียประโยชน์ทางการเมืองรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์จะได้ใช้ความหวาดระแวงสงสัยเป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์ทางการเมืองโดยกระทําถึงขนาดกล่าวให้ร้ายว่าทักษิณคือพระเจ้าจากสิงกับชาติมาเกิดเพื่อโทมคืนราชบัลลังก์ เรื่องของพระเจ้าตักสินเป็นรอยด่างของราชวงศ์จั ก, กรีเึ่งจากพระเจ้าตักสินเป็นคนเชื่อสายจีนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมไทยในขณะ น, นี้ที่เสียสละกู้ชาติบ้านเมืองในสมัยวิทยาตอนปลายที่ต้องเสียเมืองให้แ ก, ก่พม่าแต่ได้ถูกต้นราชวงศ์จั ก, กรีคือนายทองด้วงในขณะนั้นยึดอํานาจประหารพระเจ้าตักสินพร้อมลูกเมียทั้งหมดอย่างโหดร้ายและสร้างตัวเองขึ้นเป็นกษัต ร, กกริย์ราชวงศ์จักรี ปกครองโดยมีเครือญาติสืบต่อราชวงศ์จนถึงปัจจุบันเรื่องราวของพระเจ้าตากสินจึงกลายเป็นความไม่เป็นทางที่คนไทยเชื่อสายจีนได้รับจากราชวงศ์จั ก, กรีและจนถึงวันนี้คนไทยเชื่อสายจีนยังถูกขีดกันด้วยระเบียบข้อบังคับในการรับราชการทหารและตำรวจ ด, ด้วยเหตุนี้เรื่องราวของพระเจ้าตากสินจึงเป็นภาพหลอนของราชวงศ์จนถึงปัจจุบันหากพิจารณาด้วยเหนน ต, ตุผลในศตวรรษที่ยี่สิบเอด ซึ่งเป็นยุคแห่งวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าถึงขั้นมนุษย์เดินทางไปเหยียบดวงจันทได้แล้วก็ถือได้ว่าเป็นคำกล่ า, าวโจงกระที่ไร้เหตุผลอย่างยิ่งแต่ปรากฏความจริงว่าในราชสำนักของไทยและประชาชนหัโบราณที่เกาะติดอยู่กับเครือข่ายสำนักสงฆ์และสำนักสำนักเทพพวกสงเจ้าเข้าผีจํานวนมากจังคงเชื่อเรื่องการจัดชาติมาเกิดของบุคคลตามวัฒนธรรมความเชื่อโบราณของศาสนาความและศาสนาพุทธสายเอาวิชาอย่างมาก ซึ่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงเชื่อเช่นนั้นจริงๆซึ่งพระองค์เคยแสดงทัศนะต่อพระราชบริพารจนไปที่ร่วงรู้กันผู้บ้านั่วเมืองว่าพระองค์คือสมเด็จพระสุริโยธายกับชาติมาเกิดและในชาตินี้พระองค์ก็จะเป็นผู้ช่วยพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระสวามีอีกและก็มีหลักฐานสนับสนุนถึงความเชื่อของพระองค์ต่อสาธารณชนอีกก็คือพระองค์ได้มีพระราชดํำรัสให้สร้างภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการภาพยนตร์ไทย โดยโลงทุนหลายร้อยล้านบาทเรื่องสุริโยไทยเพื่อเชิดชูคุณงามความดีของสมเด็จพระศีสุริโยไทยเมื่อครั้งเป็นเอกอัคราคาละ ม, ห เ, ศศละมะเหสีอัครละมะเหสีที่ใสที่ใสช้างออกขวางพระเจ้าแปรแห่งกรุงหงสาวดีจนถูกพระแสงของเงาวฟันจนสิ้นพระชนบนคอช้างเพื่อปกป้องพระสวามี โดยโครงสร้างวัฒนธรรมความเชื่อแบบโบราณที่ฝังลึกดังกล่าวข้างต้นทําให้การเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองในสังคมไทยได้หยิบฉวยวัฒนธรรมความเชื่อนี้มาหาประโยชน์กันอยู่เสมอดังนั้นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลในการเมืองฝั่งตะวันตกก็กลายเป็นเรื่องที่มีเหตุผลของการเมืองฝั่งตะวันออกโดยกล่าวหาว่าทักษิณคือพระเจ้าบาทสิงกับชาติมาเกิดเพื่อมาทวงคืนราชบัลลังก์จึงกลายเป็นเรื่องที่เชื่อกันจริงจงังขึ้นมาในราชสำนัก ในหมู่มวลชนที่เป็นผู้โห่คนหัวโบราณโดยให้เหตุผลกันเป็นตุเป็นตาว่าการออกเสียงชื่อที่คล้ายกันและหากสะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็จะเขียนเหมือนกันว่าตักถิ่นอีกทั้งทักศิ่นและตักถิ่นก็เป็นคนภาคเหนือและมีเชื้อสายจีนเหมือนกันและภาพวาดของพระเจ้าตักถิ่นที่มีปรากฏมาแต่โบราณก็มีคงหน้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายกับทักถิ่นอีกด้วยในการต่อสู้ของพันธมิตร นายสนธิได้นําจุดอ่อนของราชสำนักในเรื่องของความเชื่อทางสายศาสต ร, รษษ์เหล่านี้มาขยายผลจนกระทั่งตลอดเส้นทางทางการเคลื่อนไหวของขงบวนการพันธมิตรจึงเจือปนไปด้วยความเชื่อทางสายศาสต ร, รษษ์เพื่อให้เชื่อมต่อความคิดกับราชสำนักและเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อให้ราชสำนักเชื่อมั่นในขบวนการพันธมิตรและให้การสนับสนุนพันธมิตรจนถึงที่สุด ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ได้เกิดข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการทำราสายตาต่างๆนานายอยู่เสมอของของบวนการทันธมิตรระหว่างการชุมนุมประท้วงเช่นการนําผ้านาไมยของสตรีที่เปื้อนเลือดไปวางรอบอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าเพื่อขับไล่วิญญาณพูดผีที่มาปิดล้อมดวงวิญญาณของสมเด็จพระปิยมหาราชไม่ให้ออกมาช่วยบ้านช่วยเมืองให้ไม่ให้ออกมาช่วยบ้านเมืองให้ออกไปเสียลมตลอดทั้งนายสนทิ ก็ตั้งตัวเป็นเกจิอาจารใส่ชุดขาวแต่งตัวคล้ายนักบวชผู้ทรงศรีลทําการพรมน้ํามนต์ไล่พูดผีปีศาจในธรรมเนียบรัฐบาลขณะที่พวกเขาปักหลักพักค้างกันในธรรมเนียบและทําให้เจ้านั ท, าที่แต่ทําให้เจ้าที่เจ้าทางโกรธอีกครั้งทาพิธีปิดตาเทวลูกพระพมที่ประจำธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อไม่ให้เหตุเพื่อไม่หเห็นเหตุการณ์ที่พวกเขากระทำไม่ดีไม่ร้าในธรรมเนียบรัฐบาลเป็นต้น จนมีการกล่าววิค่าวิจารณ์กันว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้คล้ายกับเหตุการณ์ในรัสเซียก่อนที่ราชวงศ์โรมานอฟจะถูกค้นล้มเปลี่ยนแปลงเป็นระบอบสังคมนิยมโดยขณะนั้นราชสำนักรัสเซียก็เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์อย่างงมงายโดยมีนักบวชในคริสศาสนามิการออร์โธดอกชื่อรัสตูตินเป็นผู้มีอิทธิพลครอบงำความคิดราชสำนักในขณะนั้นและสำหรับประเทศไทยปัจจุบันก็มีคนเปรียเทียบว่านสุนทรีริ้งทองกุล ก็เป็นคล้ายกับลัฐโกเทนในราชวงศ์จั ก, กรีกรณีสนี่กลายเป็นระเบิดทำลายทักษิณจากสัจธรรมของโครงสร้างการเมืองในประเทศด้อยพัฒนาที่ความขัดแย้งทางสังคมเป็นความอ่อนไหวที่ดำรงอยู่และพร้อมจะแสดงบทบาทอยู่เป็นนิดสัญญาณที่บ่งบอกถึงการพังทลายของรัฐบาลพันตำรวจทักษิณก็มาถึงเมื่อเกิดกรณีของสนธิริมทองกุล สุมวชนที่มีประวัติสร้างความร่ำรวยให้แก่ตนเองด้วยการฉกฉวยจังหวะเวลาหาผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองโดยความกล้าหาญ้วยความกล้ า, า, า, าและความบ้านสนธิล่นทองคุณจากมิตรผู้สนับสนุนนายกทักสิณอย่างสุดลทธิ์ท้มประตูพลิกกลับมาเป็นศัตรูตัวชสกาดด้วยกําลังตกอยู่ในภาวะใกล้ล้มละลายจากการเป็นนักเก็งกาไรและได้รับผลกระทบจากมาจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2544แต่ยังไม่ฟื้น เมื่อถูกปฏิเสธการหาผลประโยชน์จากนายกทัก ษ, ษิณในหลายเรื่องโดยเฉพาะที่สนธิเดริญ น, น่าลงทุนเตรียมการเปิดถานีโทรทัศน์ช่องใหม่ที่เรียกว่า f ี e ีวีช่องสิบเอ็ดทัหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายโดยเหตุนี้นายสนธิจึงหยิบฉวยความขัดแย้งที่เครือขา่ายราชสำนักได้ส่งสัญ ญ, ญาณพร้อมจะทําลายรัฐบาลทักษิณแล้วมาเป็นประเด็นการเมืองโดยใช้รายการเมืองไทยลายลสัปดาห์ ที่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9เป็นเครื่องมือต่อรองเมื่อไม่ได้ผลทุกอย่างก็เดินหน้าโดยเริ่มจากประเด็นทักสิงทำบุญประเทศเพื่อเรียกร้องให้ประชาชนทุกศาสนาในประเทศไทยร่วมทําบุญเพื่อให้เกิดความสงบในสามจังหวัดภาคใต้ซึ่งเป็นเรื่องดีก็กลายเป็นเรื่องร้ายเพราะทักสิงประกอบพิธีทางพุทธศาสนาในวัดพระแก้วโดวยถูกกล่าวหาว่าจงใจละเมิดพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลโดยจุดตั้งเก้าอี้ ที่นายยทักษณิณนั่งตรงนั้นเป็นจุดที่พระเจ้าอยู่หัวเคยประทับซึ่งเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะไร้สาระในสายตาของชาวโลกแต่เป็นเรื่องสําคัญของคนไทยจากเรื่องนี้ไฟที่จะเผาไหมรัฐบาลทักษณิณว่าจุดติดและลุกลามออกไปแม้ต่อมาจะมีหลักฐานยืนยันว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นดังที่นายสนชีกูข่าวใส่ใส่สีตีไข่แต่ก็ไม่เป็นผลเสียแล้วเพราะกระแสะความขัดแย้งทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์และพรรคฝ่ายค้าน รวมทั้งความขัดแย้งกับผู้สูญเสียผลประโยชน์จากกรณีที่นายกทักษิณได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเป็นผลเช่นนโยบายปรปาบปรามยาเสพติดเป็นต้นนั้นก็หลวงศูนย์ถล่มทักษิณโดยการประสานงานของเครือข่ายและสถานักภายใต้การชี้นําของพลเอกเฟรนซิเซนสุรานนท์นหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตัวจริงในฐานะผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญที่แฝงตัวอยู่เบื้องหลังประชาธิปัตย์บวกทหาร บวกเอ็อคือกําลังสําคัญเมื่อสนธิเปิดฉากเป็นศัตรูโดยใช้รายการเมืองไทยรายสัปดาห์เป็นอาวุธทิ่งแทงรัฐบาลในที่สุดรายการของสนธิก็ถูกถอดออกจากช่องเก้าทันทีกระบวนการโค่นล้มรัฐบาลทักษิณที่เริ่มต้นจากห้องส่งสารัศน์ก็ไหลออกสู่ท้องถนนโดยเครือข่ายและขสมนักก็ประสานงานให้รายการเมืองไทยรายสัปดาห์มาเปิดสัญจรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยการเปิดตัวของนายสุรพลนิติไกรพล อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกมาสนับสนุนอย่างเต็มกำลังและนับแต่นั้นเกมการเมืองนอกสภาด้วยการปลุกกระดมมวลชนโค้นล้มรัฐบาลที่สำนักพระรชาชวังเคยกำจาับ ก, การแสดงมาตลอดนับแต่อดีตตั้งแต่การค้นล้มรัฐบาลถนอมประพาสรัฐบาลพนเอกเกรียงศักดิ์และรัฐบาลพนเอกสุจินดาก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ได้เกิดเหตุการณ์เกินความคาดหมายของราชสำนัก นั่นก็คือศัตรูสำคัญทางต่อประวัติศาสตรของราชสำนักได้แฝงตัวเข้ามาใช้เงื่อนไขความขัดแยง้งแสดงตัวเป็นผู้จงรักภักดีในลักษณะโบกธงกษัตริย์ทำลายกษัตริย์โดยจับมือกับนายสนธิบุคคลที่แฝงตัวเหล่านั้นคืออดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยผู้มีอุดมการต่อต้านกษัตริย์ไม่เสื่อมคลายในฐานะแกนนำเอ็นอและสถาภาพแรงงานเช่นนายทิพททย์งชัย นายสมศักดิ์โกสัยสุขนายสมเกียจธงไพยบูรณ์สามใน5าแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นอ ง, องค์กรจัดตั้งที่ประกาศแนวทางชัดเจนว่าจะล้มรัฐบาลของพันธมินดโททักษิณชินวัตรที่มาจากการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงของประชาชน19ล้านเสียงบุญการเอ o อคือองค์กรการพัฒนาภาคเอกชน ซึ่งได้พัฒนาตนเองมาเป็นเวลานานกว่า30ปีแล้วและเติบใหญ่เข้มแข็งมากขึ้นภายหลังจากป่าแตกเมื่อปี2523โดยปัญญาชนที่เข้าร่วมการปฏิวัติสังคมด้วยต้องการเห็นสังคมอุดมคติต้องผิดหวังออกจากป่าเพราะความขัดแย้งแตกหักในค่ายสังคมนิยมระหว่างรัสเซียกับจีนและเมื่อเกิดสงครามชายแดนระหว่างจีนเวียดนามหลายคนกลับเข้าเมืองและมุ่งมั่นที่จะทางานตามอุดมคติต่อไป จึงหันเข้าเป็น NGO โดยทํางานอยู่ในมูลนิธิและสมาคมต่างๆเป็นจํานวนมากโดยเกาะเกี่ยวอยู่กับประชาชนคนยากจนในระดับลาภยากและสุดผลให้ประชาชนเคลื่อนไหวลุกขึ้นประท้วงต่อสู้เพื่อสิทธิประโยชน์ผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่งอมืองอมเท้ารอ ก, การช่วยเหลือจากกลไกรัฐกระบวนการเอ็นจีโอจำนวนหนึ่งประกาศตัวเป็นปฏิบัติต่อรัฐบาลทักสิ่งที่กล่าวหาพวกเขาว่าเป็นกระบวนการท้าความจน และไม่ยอมเจราจาปัญหาของคนยากจนโดยผ่านองค์กร NGO ด้วยเหตุนี้กระแสมวลชนจึงถูกปลุกขึ้นจากกระบวนการ NGO ที่เกี่ยวเกี่ยวอยู่กับชาวบ้านดังนั้นในระยะเริ่มต้นที่ต้องการมวลชนมาสนับสนุนก็มาจากกำลังจัดตั้งผนนี้เป็นตัวยื่นเป็นตัวยืนโดยร่วมกันกันกบมวลชนและสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ที่มาจากภาคใต้และนกรุงเทพมหานครมาหาโค่นล้มรัฐบาลทักษิณได้ อำนาจทางการเมืองก็ต้องตกอยู่กับประชาธิปัตย์โดยไม่มีทางเลือดนอกจากนี้ก็มีขาจรกองกำลังผสมจากผู้เสียผลประโยชน์เช่นผู้ขายยาเสจติดหมอค้าแม่ค้าเจ้ามือหวยใต้ดินหมอตีร้านขายยาที่เสียรายได้จากนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเป็นต้นเมื่อขบวนการมวลชนเริ่มขับเคลื่อนได้แล้วการจัดจคือขายก็เริ่มชัดเจนขึ้นโดยคนใกล้ชิดคนเอกเกรงซินสุรานนองคมนตรี ที่มีประสบการณ์การกขับเคลื่อนมวลชนก็ปรากฏตัวขึ้นบนเวทีของสนทิเช่นพลตรีจำลองสีเมืองอดีตเลขาธิการนายกคนเอกเกรงซึ่งเป็นแกนนํากลุ่มกลุ่มสันติอโศกสำนักพุทธศาสนานอกรีดก็ได้นํากองทัพญาติธรรมและนักบวชนอกรีดออกมาเป็นกองกําลังหลักร่วมประท้วงด้วยนอกจากนี้ยังมีบุคคลสําคัญที่ใกล้ชิดคนเอกเกลงที่ต้องกล่าวถึงเช่นนาวาจากตรีประสมสุนทริศ ซึ่งเป็นอดีตกนรนำาวนชนค้นล้มรัฐบาลคนเอกปูจินดาคาประยูนและนายผลลูกฝาเช่นพลอากาศเอกชลิดพุกผาสุแมทับอากาศโดยเฉพาะลูกฝาผู้บ้าบิ่งดกคลโชสัพท่างการลยา น, นมิตรซึ่งแสดงตัวกดเผยขนาดดำรงตำแหน่งแมทับภาคสามว่าพร้อมจะค้นล้มรัฐบาลทักษิณโดยไม่มีใครกล้าแตะต้องภายในวงการรัฐบาลขณะนั้น ข่าวสารในคอนเนีบรัฐบาลก็ปรากฏชัดเจนว่ามีทหารสายในของพลโทสุพลและสายของแม่ทัพอากาศถอดเครื่องแบบแสงตัวออกมาร่วมชุมนุมในฐานะมวลชนและคอยเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ชุมชนผู้ผู้ชุมนุมสัญญาณชัดเจนจากราชสํานักให้ทําลายระบอกทัศนสินความคุกกลุ่นที่ส่งสัญญาณว่าจะต้องล้มรัฐบาลทัศนสินเริ่มต้นจากกลางปี2547และเริ่มเด่นชัดมากขึ้นเมื่อผ่านการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อต้นปี2548สัญญาณอันตรายของรัฐบาลทักษิณสมัทยที่สองถูกความเข้มแข็งยิ่งขึ้นของรัฐบาลทักษิณเองที่ได้รับความนิยมจากประชาชนสูงสุดถึง19ล้านเสียงและได้สอสอมาก ท, ที่สุดถึง377จากสอสอทั้งสภ า, า500คนทักษิณได้เปิดหน้าใหม่ของประวัติศาสตร์การเมืองไทยคือเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยรัฐบาลแรกที่จัดตั้งด้วยพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวคือพรรคไทยรักไทย ความวิตกกังวลของราชสัมพักที่เป็นความเจ็บปวดแห่งอดีตก็คือความเข้มแข็งของรัฐบาลที่ที่จะเข้ามาบั่นทอนอำนาจของราชสัมพักและด้วยพเพราะเนื้อแท้ของระบบ ก, การปกครองของไทยคือระบอบสมบูรณาญาสิทธิรที่ลาดใหม่ที่อำนาจรวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ความมีเสียรภาพของรัฐบาลจึงกลายเป็นความน่ากลัวในสายตาของราชสัมพักคําำกล่าวของนายกพัษสินที่ว่าผมมาจากประชาชนสิบเก้าล้านเสียง จึงกลายเป็นการย้ำเตือนให้เครือข่ายราชสมนนักเร่งทำลายรัฐบาลทักษิณให้สิ้นซากโดยพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การบุกการของคนเอกเปรมหัวหน้าพักตัวจริงได้ร่วมกับเครือข่ายราชสมนนักซึ่งได้แก่อาาจรย์มหาวิยาลัยและสื่อมวลชนบางคนได้สร้างวาทกรรมให้ดูน่ากลัวเกี่ยวกับความคิดของพันตารวจททักษิณสปายสงว่าทักษิณจะล้มล้างสถาบันกษัตริย์เพื่อให้ดูเป็นเหตุผลมากกว่าที่จะตรงที่จะโจมตีว่า พระเจ้าตัดสินกับชาติมาเกิดเป็นทักษิณโดยเรียกนโยบายตามแนวคิดของทักษิณว่าระบอบทักษิณและประกาศเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์รวมกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อทําลายระบอบทักษิณว่าเอาประเทศไทยคืนมาซึ่งมีความหมายในตัวเองว่าตำรวจทศทักษิณได้ทําการใหญ่กําลังยึดเอาพระราชอำนายของกษัตริย์ไปเป็นของตัวเองแล้ว ในวันที่สามกุมภาพันธ์สองพันร้อยสี่สิบเก้าพันธมิตรจะให้มีการชุมนุมที่ลานพระบรมรูปตรงมาโดยทำหนังสือเรียกร้องให้สามหน่วยงานสำคัญดำเนินการกดดันให้พันตารวจโททั์ศิณลาออกโดยยื่นหนังสือในเวลาสามทุ่มเศษต่อสามหน่วยงานโดยแยกออกเป็นสามสายคือถวายดีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยยื่นที่สานักว่าเลขาสานักว่าชวางังอิทฉบาท ยื่นต่อพลเอกเกรงจึงสุราโนนประธานองคมนตรีและฉบับ ท, ที่สามยื่นต่อพลเอกสนธิบุญรัชกัลินผู้บัญชาการทหารบกปรากฏทุกหน่วยงานเปิดรับหนังสือการดึกหมดโดยเฉพาะที่ยื่นให้ฝ่ายทหารผู้บัญชาการทหารบกออกมารับด้วยตนเองและเปิดห้องต้อนรับแกนนำพันธมิตรศึกสาหาลือเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงและหลังจากนั้นนายสนธิก็ขึ้นประกาศต่อฝูมชนว่าพวกเขาชนะแล้ว เพราะทั้งสามหน่วยงานเปิดรับหนังสือของพวกเขาในยามวิกาลและผลเอกสนทิก็ไม่พึงพอใจรัฐบาลของพันตำรวจโททักสิงการรับหนังสือในยามวิกาลในภาวะที่มีผู้คนมาชุมนุมกันซึ่งขณะนั้นจำนวนไม่มากมนักยังอยู่ในระดับไม่เกินห้าพันคนก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกแต่เฉพาะสำนักราชะเลขาสำนักราชวังซึ่งที่ทาการอยู่ที่วัดพระแก้วนั้น ไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนทำไมสำนักพระราชวังบริการประชาชนดีเหลือเกินคำถามถึงสัญญาณเชิงสั ญ, ญลักษณ์จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาของวังว่าต้องการจะล้มรัฐบาลทักษิณเกิดขึ้นในใจของผู้คนยุคสภาประกายไฟไหม้ลานทักษิณเพียงแค่ระยะเวลาเพียงปีเศษ นับแต่การเลือกตั้งทั่วไปตามวาระเมื่อเดือนมกราคม2548การประท้วงขององค์กรพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เรียกร้องให้ทักษินลาออกในขณะที่เศรฯฯษฐกิจเจริญเติบโตรัฐบาลมีผลงานดูจะไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยในสายตาสองคนทั่วโลกที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่ภายใต้ระบอบ ก, การปกครองที่แอบแฝงที่เป็นที่เป็นของจริงสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่นั้นทาเอานักข่าวทั้งโลกมึน และวิเคราะห์ไม่ถูกาการเปิดประตูวางาการดึกของคืนวันที่3กุมภาพันธ์2549เพื่อรับหนังสือถวายดีกาขับไล่นายกทักษิณ น, นั้นคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าวังไม่เอาทักษิณแต่ขณะนั้นยังไม่มีใครเชื่อว่าเป็นพระประสงค์ของพระองค์ดังนั้นความพยายามที่จะแก้ปัญหาในระบบจึงยดงดเนินต่อไป การเข้าพบพลเอกเกรมประธานองคมนตรีของทักษิณหลายครั้งในช่วงแรกความคิดของพันตำรวจททักษิณที่จะปรับคณะรัฐมนตรีก็เกิดขึ้นดูเหมือนว่ารัฐบาล น, นาวาของรัฐบาลทักษิณจะไปไม่รอดและในช่วงสถานการณ์แห่งภาวะวิกฤตการเมืองการเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวของพันตำรวจททักษิณก็เกิดขึ้นโดยเนื้อหาของพระราชสํานัก่าของพระราชดำริษณ์นั้น เป็นความลัดแต่แล้วทุกอย่างก็จบลงด้วยการยุบสภาซึ่งเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยที่นานาอารยาประเทศใช้กันโดยพันาริจโถทักสินเองก็ไม่รู้ว่าในวิถีทางประชาธิปไตยแบบไทยๆกลายเป็นการจบลงของตำแหน่งนายกมนตรีของตัวเอ ง, ท, งทันทีที่ประกาศยุบสภาเมื่อต้นปี2549และกาหนดให้มีการเลือกตั้งวันที่2เมษา ย, ยน2549 ในขณะที่พันตํารวจโททักษิ์ประกาศด้วยความมั่นใจว่าหากได้คะแนนเสียงจากประชาชนทั้งประเทศไม่ถึงครึ่งของผู้ที่มาลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ให้แต่ตนคะแนนเลือกสอสแบบบัญชีรายชื่อพันตํารวจโททักษิณจะไม่ขอรับตําแหน่งนายกมนตรีนั้นนายอภิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ดูจะห้าวหาญเหมือนรู้ว่าเหมือนรู้ว่าฟ้าไม่โปดทักษิณแน่ ประกาศคว่ำบาตการยุบสภาโดยไม่ส่งสสพรรคประชาธิปัตย์ลงสมัครรับเลือกตั้งโดยอ้างว่าการยุบสภาไม่เป็นธรรมทำการสิงยงไชโยโห่ร้องของกลุ่มพันธมิตรที่พอใจต่อการรับลูกป่วนระบบทักษิณของประชาธิปัตย์อย่างถึงที่สุดเพราะรู้ดีว่าเลือกตั้งครั้งใหม่ก็ไม่อาจจะเอาทักษิณออกจากตาแหน่งนายกได้เพราะคะแนนนิยมของประชาชนที่มีต่อทักษิณนั้นท่วงทน การคว่ำบา ก, การจะเลือกตั้งลามสูภพรการเมืองร่วมฝ่ายค้านทั้งหมดเพราะทุกพรรคหมดโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลได้แล้วแต่เท่าที่พันตำรวจโททัศน์สิ่งยังอยู่ในวงการเมืองคะแนนนิยมของทักษิณที่มากมายเช่นนี้หากอยู่ในระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงก็เป็นเรื่อ ง, องปกติที่ฝ่ายค้านต้องรอคอยและสร้างผลงานแข่งกับรัฐบาลเช่นประเทศอังกฤษที่เป็นต้นแบบซึ่งพรรคกรรม ก, กรก็ต้องรอคอยการเสริมความนิยมของประชาชนอังกฤษที่มีต่อพรรคมากระเด อนุรักษ์นิยมเป็นเวลานานกว่า7ปีในสมัยของนายกรัฐมนตรีนางทัชเชอร์แต่สำหรับประเทศไทยมีเพียงรูปแบบเท่านั้นที่เป็นประชาธิปไตยแต่เนื้อแท้คือระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ที่ลาดใหม่ดังนั้นการรุกสภาแทนที่จะเป็นทางออกของระบอบประชาธิปไตยตก็กลายเป็นกับดักของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆความปั่นป่วนทางการเมืองที่เกิดขึ้นบนถนนจึงลามเข้าสู่สภาแล้วลามเข้าสู่ระบบ และเมื่อผลเลือกตั้งออกมาเสียงประชาชนยังให้ทักษิณเป็นนายกต่อไปแต่เตียงก็เซ็ต จ, จากอำนาจระดัตัวจริงให้ทักษิณออกไปก็ดังขึง้น <Mother> เพียงแต่ในหลวงก็เซ็ตข้างหูผมจะลาออกทันทีเกิดฉพาะรัฐบาลทักษิณมาจากการเลือกตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยระบอบประชาธิปไตยและเป็นรัฐบาลที่ได้รับความนิยมสูง ส, งสุดจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่21ยุคโลกาภิวัตน์ทำให้รัฐบาลทักษิณมีความชอบธรรมมากกว่ารัฐบาลทหารและรัฐบาลประชาธิปไตยครึ่งใบที่เป็นเหยือของรัฐสรรนัตในอดีตที่ผ่านมาการขับไล่ให้ทักษิณออกจากวงการเมืองจึงยากที่จะทําได้นอกจากการทํารัฐประหารยึดอํานาจของฝ่ายทหารเท่านั้นแต่แม้กระนั้นการเข้ามาเมียอำนาจของฝ่ายทหารก็ใช่ว่าราชธรรนักจะอุ้มชูอย่างถาวรก็หาไม่ และจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าอำนาจที่แท้จริงของระบอบ ก, การปกครองของไทยนั้นอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นและจากประสบการณ์ทางการเมืองของฝ่ายทหารที่เจ็บปวดที่สุดที่ยืนยันถึงความจริงแห่งระบอบ ก, การปกคร อ, องของไทยก็คือเหตุการณ์พฤชภาธรรมนินปีปี2535แต่กลับต้องเสื่อมเสียเกียรติยศด้วยการถูกเรียกเข้าราชสำนักและพระเจ้าอยู่หัวออกปากตําหนินายกรัฐมนตรีออกโทรทัศน์ทุกช่องทําให้ คนเอกสุกินดาตายทั้งเป็นจึงเป็นบาดแผลในใจิตใจของฐหารมาจนทุกวันนี้นี่คือลักษณะพิเศษของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆแม้จะเป็นนายกมาจากระบอบประชาธิปไตยแต่ถ้าหากกษัตริย์ไม่ชอบก็ต้องออกไปท่านตำรวจโทรทักษินรู้ถึงความจริงนี้แต่เมื่อยังดำรงอยู่ในตำแหน่งก็ไม่ต่างอะไรกับการขี่หลังเสือ หักลงอย่างไม่มีจังหวะหักลงอย่างไม่มีจังหวะจากโคนก็จะถูกเสือกินแต่หากจะหากจะหาทางเจราจากับเสือก็ยากที่จะเจราจากันได้จึงใช้วิธีการประากาศต่อสาธารณะว่าถ้าเพียงแต่ในหลวงกระซ็บข้างหูผมจะลาออกทันทีจากคำพูดนี้ยิ่งเป็นการเติมเชื้อไปให้คือขายราชสานักยิ่งเร่งขับเครื่องยิ่งเร่งเครื่องขับพันตำรวจโทรทักษิน ให้พ้นจากอํานาจและแล้วก็มีเสียงประทึกข้างหูของพันตํารวจโททักษิณจริงๆแต่ไม่ใช่ให้ออกจากนายกแต่ระให้ออกจากอํานาจไปเลยแล่าไม่ต้องกลับมาเมื่อวันที่4เมษายน2549หลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนห ม, มัดมาเมื่อวันที่2เมษายนอันเป็นผลจากการยุบสภาพันตํารวจโททักษิก็ถูกเรียกให้เข้าเฟ้าโดยเร่งด่วนที่พระตาหนักหัวหิน พลตำรวจโททักษิเดินทางด้วยเครื่องบินในเวลาบ่ายโมงเศวหลังจากเสร็จสิ้นการประชุะมคณะรัฐมนตรีครั้งสุดท้ายก่อนมีรัฐบาลใหม่ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มโดยไม่รู้ว่าจะมีเสียงกระซิบข้างหูแต่ทันทีที่ออกจากพระตำหนักทักษินได้พบความจริงของการเมืองไทยในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ลาดใหม่โดยไม่อาจจะบอกกับใครได้ในขณะนั้นเพียงแต่มีคำสั่งของนายกให้สำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมการแถลงข่าวสำคัญอย่างฉุกเฉิน และเป็นการถแถลงครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่กลางห้องโถงหน้าบันไดของตึกไทยคู่ฟ้าของพันตํารวจโททักษ์สินชินวัตรเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเทศของวันที่สี่เมษา ย, ยนสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าทั้งที่เพิ่งลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ออทสยยองเมษายนสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าท่ามการนักข่าวเต็มคเนียบพันตํารวจโททักษ์สินยืนที่โพเรียมหน้าบันไดกลางห้องโถงคำเนียบรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีและบุคคลสำคัญของพรรคไทยรักไทยไท ย, ยืนเป็นแถวอยู่ด้านหลังสองคนสำคัญในนั้นมีในายเนวินชุดชอบและนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีผู้ใกล้ชิดยืนอยู่ด้วยพันตำรวจโททักษินชินวัตรแแลงด้วยน้ำตาคลอและเสียงขมขื่นในลำคอโดยมีคุณหญิงพจมาลภรรยายืนอยู่เคียงข้างว่าผมขอลาพรรคถาวร และแต่งตั้งให้พลตำรวจเอกชิดชัยวรรณเสถิติ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการแทนทันทีที่สิ้นเสียงคำถแถลงท่ามกลางาความเงียบกริบไม่ได้ยินแม้แต่เสียงหายใจของตัวเองนายเนยวินชิดชอบก็โผเข้ากอดพร้อมหลังน้ำตาก่อนที่พันตำรวจโทรทัศน์สื่จะโอบกอดคุณหญิงพระจะมาเสียอีกบรรยากาศการออกจากทำเนียบรัฐบาลในคืนนั้น ไม่ใช่บรรยากาศลาพักจะเป็นบรรยากาศลาออกจากวงการเมืองพอภาพทางโทรทัศน์พันตํารวจโทรทัศน์สิงห์ทำการเก็บเข้าของและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือรูปถ่ายคู่กับภรรยาที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทํางานในทำเนียบพันตํารวจโทรทัศน์สิงห์ถือรูปและโอบ ก, กอดภรรยาขึ้นรถขึ้นรถโดยพร้อมกันเดินขึ้นรถเดินพร้อมกันและเดินทางออกนอกประเทศหลังจากนั้นในว่าเป็นการพักผ่อน วันที่5เมษา ย, ยน2549นายเยาวภาวงศสวัสด์น้องสาวแท้ๆของพันตำรวจโททักษิน์แกนนำพักไทยรักไทยเดินทางเข้าไปที่ทำการพักของโดยญาติพี่น้องและแกนนำพักเธอและหลายคนหลังน้ำตาในห้องทำงานวันที่11เมษา ย, ยน2549พักไทยรักไทยเรียกประชุมใหญ่สสรัฐมนตรีและแกนนำพักบนห้องประชุมใหญ่ชั้น7็ดเพื่อรับทราบสถานการณ์ มีสสหลายคนถัดกันลุกขึ้นพูดเพื่อให้กำลังใจพันตำรวจโททักษิณแต่ดูเหมือนว่าทักษิณจะไม่ได้ยินใครพูดเพราะเจ็บปวดเกินกว่าที่จะได้ยินเสียงของผู้คนและัจะทำความจริงของระบบ ก, การเมืองไทยก็ปรากฏจากปากของทักษิณทำกลางความเงียบขริดของห้องประชุมว่าผมเพิ่งรู้ว่าประเทศไทยไม่มีประชาธิปไตยคําพูดอันเป็นปริศนาที่ไม่มีใครรู้ว่า เงามืดที่บทบางประชาธิปไตยคือใครในขณะนั้นแต่ความลับไม่มีในโลกฉันใดเงามืดก็ไม่อาจจะปกปิดตัวเองได้ฉันนั้นจากปากคำของทักสินที่ถูกเล่าต่อๆกันมาจากการเดินทางไปเยี่ยมเยือนพันตำรวจโททักสิงของสอสอและผู้คนมากมายที่ไขข้อข้องใจทางประวัติศาสตร์อย่างชัดแจ้งว่าเงามืดนั้นก็คือคนที่ทักสิงพร้อมจะรับฟังสยงเกษตร แต่ในวันนั้นมีได้กระซิบให้ทักสินลาออกแต่กระซิบให้ทักสินเลิกเล่นการเมืองข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการเมืองไทยและเป็นการย้ําชัดอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่าประเทศไทยนี้ได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยการปฏิวัติประชาธิปไตย25475ยังไม่เสร็สิ้น ลาพักแต่ไม่ลาออกความตันป่วนและซับซ้อนของระบบของระบบการลาพักงานถาวรของคันตำรวจ โ, โทตักสินในวันที่4เมษายน2549แล้วมอบให้คนตำรวจตรี ช, ชิดชิดชัยรองนยายกรัฐมนตรีรักษาการโดยไม่ยอมลาออกตามสียงกระคิดจึงกลายเป็นปัญหาว่าไม่จงรักพักดี แต่กลไกของระบบกฎหมายและการเมืองในขณะนั้นทำทาไม่ได้ตามประสงค์ของผู้กระชษกเพราะขณะนั้นเพิ่งเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆนายกก็ยังไม่ได้รับโปรดเก้าจึงอยู่ในภาวะสุญญากาศเพราะนายกหัวหน้าฝ่ายบริหารก็ไม่มีสภา ก, ก็ไม่มีท่านตำรวจโทรทัศน์สิ่จึงเป็นเพียงนายกภูา้าการส่วนสอสอในสภา ก, ก็ส้นสภาพไปตั้งแต่วันยุบสภา ไม่อาจจะเปิดสภาเลือกนายกใหม่ได้ดังนั้นหากว่าทักษิณประกาศลาออกตามกฎหมายก็เท่ากับเปิดทางให้อำนาจเผด็จการซึ่งเป็นอำนาจนอกระบบเข้ามาทำลายประชาธิปไตยได้ทันทีเพราะไม่มีทางออกแล้วแบาดคอทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดก็จะตกอยู่กับทักษิณจากวีร บ, บุรุษประชาธิปไตยก็จะกลายเป็นผู้ไม่รับผิด ช, ชอบต่อประชาธิปไตย สัจธรรมของระบบ ก, การปกครองสมบูรนายาสิทธิราชหม่ในยุคโลการพิวัตรคือความทับท้อนสับสนหาระบบไม่ได้ก็เกิดขึ้นอีกเมื่อพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่คณะผู้วิพากษา์สารปกครองเมื่อวันที่25ในสายน2 5 1 9ที่ถูกตีความกันทั่วโลกทั้งโลกว่าตกลงพระองค์จะเอาอย่างไรแน่ซึ่งแท้จริงเป็นการ กระนาตีทักสินให้หลุดออกนอกวงโคจรของอำนาจการเมืองให้ได้ด้วยพระองค์เองเพราะขณะนั้นสารปกครองไม่กล้าก้าวล่วงเข้าไปตัดสินคดีทางการเมืองการเลือกตั้งเพราะเกินขอบเขตอำนาจแต่พระเจ้าอยู่หัวก็กล่าวเป็นนามกล่าวเป็นนามธรรมาเชิงสั ญ, ญลักษณ์ปเปิดไฟเกี่ยวให้สารปกครองดำเนินการได้ด้วยข้อความสําคัญของพระราชดำรีว่าท่านอาจจะนึกว่า หน้าที่ของผู้ที่เป็นสารปกครองมีขอบข่ายที่ไม่กว้างขวางมากก็เขาเลือกตั้งอยู่คนเดียวซึ่งมีความสําคัญเพราะว่าถ้าไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วก็เขาคนเดียวในที่สุดการเลือกตั้งไม่ครบสมบูรณ์แล้วก็อีกข้อหนึ่งการที่จะบอกว่ามีการยกสภาและต้องเลือกตั้งภายในสามสิบวันถูกต้องหรือไม่ไม่พูดเลยไม่พูดกันเลยทาไมถูกต้องก็ต้องแก้ไข แต่ก็อาจจะให้การเลือกตั้งนี้เป็นโมฆะหรือเป็นอะไรซึ่งท่านจะมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าอะไรที่ควรที่ไม่ควรนับแต่นั้นเองกระบวนการตุลาการที่วัดก็เกิดขึ้นโดยมีสารปกครองเป็นกองหน้าภายใต้การนำของนายอคราทาร์จุลรัฐประธานสารปกครองเดือออกมาตัดสินพิกกลับว่าสารปกครองมีอำนาจพิจารณาคดีเลือกตั้งได้ซึ่งเดิมเคยวินิจฉัยว่าสารปกครองไม่มีอำนาจแล้ว ขบวนการตุลาการที่พากที่วัดก็ขยายวงไปสู่ศาลฎีกาและศาล ร, รัฐธรรมนูญโดยศาลทั้งสามสาบันก็ประสานเสียงกันภายใต้การนำของคนเอกเกรงจินนสุรานนท์ประธานองคมนตรีโดยศาลทั้งหมดประสานเสียงกันพลิกคว่ำการเลือกตั้งเมื่อ2เมษายน2549เป็นโมฆะและศาลฎีกา ย, ยังถมถูให้กกตคณะกรรมการเลือกตั้งการเลือกตั้งลาออก อ, อ, กอีกด้วยความปั่นป่วนทางการเมืองในขณะนั้นเปรียบได้ดังพายุหมุนทอร์นาโด มีพลังจึงดูดอย่างรุนแรงโดยดูดเอาสถาบันศาลออกมาเล่นการเมืองอย่างเปิดเผยเมื่อนายจารันพักตีธนาคุณเล ข, ขานุการประธานศาลฎีกาประกาศก่อนที่กรกะตจะถูกฟ้องเป็นจำเลยในศาลว่าถ้ากรกะตไม่ลาออกจะต้องติดต า, ารางทำสามนี้ละเมิดหลักนิติธรรมเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อผู้ที่กําลังจะตกเป็นจําเลยว่าจะตัดสินลงโทษในขณะที่ผู้จะถูกตัดสินยังไม่เป็นจําเลยในศาล และที่สำคัญที่สุดที่เป็นหลักฐานยืนยันว่าศาลซึ่งเป็นที่พึ่งแห่งสุดท้ายของคนไทยได้ถูกครอบงำแล้วโดยชัดเจนเมื่อลูกของนายวิรัติชินวินท์กุลเลขานุกานสาริกาและนายไพโรธบวลานุสหรือนายเจี๊ยบรองเลขานุการสารีกายืนถ่ายคู่ในเวลาแถลงข่าวกับนายจรัญพักตีธนากุลเพราะนายเจี๊ยบผู้นี้อดีตเคยเป็นนักศึกษาคณนะรัชศาสตร์รุ่น25 ที่ทุกคนรู้จักดีว่าเป็นเด็กในบ้านของฝาเฟรมที่ท่านเลี้ยงดูจนได้ดิบได้ดีเป็นผู้พิพากษาและเป็นผู้ประสานงานกับศาลในวิกฤตการในาาในามของในานางตัวแทนของสาและที่สาคัญใครก็รู้ว่าในเจียฟคนนี้เป็นตุด๊ดเด็กเลี้ยงของสาเฟรมเองรวมทั้งนายวิรัชยินิตกุลก็เป็นพวกไม้สาเดียวกัน แต่ด้วยในเดือนมิถุนายน2549มีการเตรียมงานราชาพิธีสําคัญที่รัฐบาลเป็นเจ้าภาพทูลเชิญกษัตริย์ทั่วโลกจึงมีประมาณ28ประเทศมาร่วมฉลองการคลองราชครบ60ปีที่ยาวนานที่สุดในโลกของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลเมื่อไม่มีรัฐบาลที่เป็นทางการความปันปวนแห่งงานราชพิธีก็เกิดขึ้นอีกราชสำนักจึงไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องเรียกทักษิณกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาทํางานฉลองราชอ่าฉลองคลองราช60ปี ในวันที่9มิถุนายนทักษิณได้เดินทางกลับประเทศไทยตามพระราชดำรัสให้กลับมาจาัดงานหลังจากได้ยินเสียงกระซิบที่หูและได้เดินทางออกไปต่างประเทศตามเสียงกระทิแล้วเมื่อกลับมาพันตำรวจโททัศนสินก็ได้จัดงานเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ60ปีอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนภาพของประชาชนที่สวมเสื้อเยี๊ยดสีเหลืองมากมายเต็นนมถนนสุดลูกหูลูกตาจากลานพระบรมรูปทรงมา้า ยาวไกลตลอดถนนราชดดำเนินจนถึงสะทางาพานผ่านฟ้าและท่ามากลางความปรับเพื่อปิติยินดีของผู้คนก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติมีพระองค์ทรงพระกระเถิงสาราญและคงจะมีพระเมตตามองเห็นถึงความจงรักภักดีของพันตํำรวจโททักษิณแต่แล้วถณะที่ความปิติยินดีของผู้คนยังไม่ทันจางหายวันที่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าทหารก็ได้รับสัญ ญ, ญาณออกมายึดอํานาจโค่นล้มรัฐบาลทักษิณ ขณะที่พานตำรวจโทรทักถึงเดินทางไปมหานครนิวยอร์กเพื่อกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสหประชาชาติและพระเจ้าอยู่หัวก็ลงพระปรมาภิไธยรับรองความชอบธรรมของการยึดอำนาจการยึดอำนาจเช่นนี้เป็นประชาธิปไตาหรือไม่พระองค์ได้เคยมีพระราชดำรัสพระราชทานแ ก, ก่ผู้วิภากษษาสำนักงานวิสัยทอตน์เมื่อ25เมษายน2549ว่าไม่ทราบใครจะทามั่ว แต่ว่าปกครองประเทศมั่วไม่ได้กรณีการยึดอํานาจจะปรับเข้ากับพระราชดําหลักอย่างไรรอบค่าสามครั้งข่าบอมขาว้องของจริงเมื่อเห็นว่าการจัดรัฐบาลนายกทักษิณไม่ใช่เรื่องง่ายการกำจัดระโทษจ่ะเมื่อเห็นว่าการกำจัดรัฐบาลนายกทักษิณไม่ใช่เรื่องง่ายโดยส่อกลไกของระบบรัฐสภาและทหารก็ไม่กล้าเสียงในเบื้องต้น เคือขายราชะสำนักสายเหี่ยวก็ตัดสินใจกำจัดตัวทักษิณแล้วอำ น, นาจของรัฐบาลทักษิณก็ย่อมต้องพังทลายไปเองโดยสภาพแล้วเหตุการณ์วางแผนรอบค่าทักษิณก็เกิดขึ้นจากคนร่วมสนทนาสองคนซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดอย่างยิ่งกับการมอบอำนาจให้กับคลเอกพันลบเป็นมณีโดยจะใช้ปืนติดกล้องไนเปอร์ยิงจากระยะไกลโดยจุดแรกจะต้มยิงพันตารวจโชทักษิณ บนเวทีปลาใสที่จังหวัดลำปางตามกําหนดการที่ทักษิณจะเดินทางกลับจากเชียงรายไปปลาใสที่จังหวัดลำปางในระหว่างหาเสียงในเดือนมีนาคม2549แต่แล้วเปลี่ยนแผนเข้าจังหวัดเชียงใหม่จนแคล้วคลาดต่อมาจะส่งยิงจากธรรมศาสตร์ขณะที่ปลาใสบนเวทีสนามหลวงในเวลาตอนหัวค่ำแต่ปรากฏว่าทักษิณเห็นมวลชนกําลังคึกคักจึงขึ้นปลาใสก่อนกําหนดเวลาก็แคล้วคลาดอีกล่าสุด จึงวางแผนถล่มทักษิณด้วยคาบอมคนเช้นทางที่ทักษิณออกจากบ้านไปทำงานโดยเครือข่ายของกรอรมนเป็นผู้รับงานโดยการควบคุมงานของพลเอกสนทิทพอบทอรบแต่โชคดีที่เวลาเดินทางเกิดคลาดเคลื่อนและแผนรั่วจึงถูกหน่วยรักษาความปลอดภัยของนายกทักษิณรวบตัวและของกาลางคือรถยนต์ที่บรรทุกระเบิดพร้อมปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วฝ่ายพันธมิตร โดยนันงสือพิมพ์ผู้จัด ก, การและคือข่ายราชะสํานักพยายามจะบิดเบือนเรื่องนี้ว่าเป็นขา่าวบองมากกว่าค่าบอมแต่แล้วจากหลักฐานพยานวัตถุและพยานบุคคลก็ชี้ชัดทําให้ยญาการไม่อาจจะเป่าสํานวนทิ้งได้ทั้งคั้ที่อยู่ในเงื่อนไขที่ทักษิงหมดอํานาจแล้วจึงเป็นเหตุการณ์ที่เชื่อมั่นได้ว่ามีหลักฐานมัดแน่นในภายหลังการสืบข้อเท็จจริงว่าใครเป็นใคร ใครเป็นคนสั่งให้ลอบฆ่าทักษิณซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งเดียวข้อมูลก็ถูกเปิดเผยในช่วงปลายปี2551ที่พลเอลกคำลบปิตมณีผู้มีข่าวลือว่าเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารได้ไปพบเคลียร์ปัญหากันกับพันตํารวจ โ, โททักษิณที่ประเทศจีนก็ปรากฏชัดว่าพลเอกเกรงและพลเอกสุรยุทธ์ได้เรียกพลเอลกทคำลบไปพบและมอบหมายงานให้กําจัดทักษิณโดยกล่าวอ้างว่าเป็นความประสงค์ของเบื้องบนที่ต้องการจะล้มรัฐบาลทักษิณ และจะทํางานถวายให้พระองค์โดยจะไม่รับตําแหน่งใดๆหลังการยึดอานาจและการที่พลเอกพันลบนําข้อมูลนี้ไปเปิดเผยให้ทักษิณทราบก็ถือว่าคนเอกกลยุทธ์ผิดคาสัญญาที่ไปเอาตําแหน่งนายกที่ไปเอาตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทักษิณขู่เปิดเทปแผนรอบค่าการรอบค่าพันตํารวจทศทักษิณขนาดดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลก และเป็นที่สนใจของสำนักข่าวต่างประเทศจึงของนำํำคำกล่าวของพันตํารวจโทรักสิ่งห์ที่ได้สัมภาษณ์กนันิตยสารไทยซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกโดยตีฟิม์เผยแพร่เมื่อ6มีนาคม2552แปลเป็นไทยตีฟิม์ในหนังสือพิมพ์โพสต today เมื่อวันเสาร์ที่7มีนาคม2552ซึ่งเป็นข้อความทางประวัติศาสตร์ที่สมควรบันทึกไว้ว่าเคยมีการประชุมกันที่บ้านหลังหนึ่งบนถนนสุขุมวิท และหนึ่งในคนที่ร่วมประชุมนั้นก็บอกกับผมทั้งหมดผมยังมีเทปบันทึกอยู่เลยว่าวก็เขาคุยอะไรกันว่าจะกำจัดผมด้วยการรอบสังหารหรือไม่ก็กำจัดผมผ่านกระบวนการศาลผมรู้ว่าคนพวกนี้คือใครผมเคยคิดว่าจะเผยชื่อเหล่านั้นแต่ผมหวั่นว่าอาจจะทาให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกผมต้องระวังให้มากผมต้องจลดอินตัวเองและต้องยอมทนกับรสชาติของเลือดของผมเอง ในที่สุดความอึมครึมของเหตุการณ์การยึดอำนาจค้นล้มระบอบประชาธิปไตยเมื่อ19กันยายน2549ก็ถูกเปิดเผยตัวแสดงออกมาทั้งหมดว่ากระทำโดยเครือข่ายราชสัมนักโดยมีพลเอกเกรมจินลสัสรานนท์ประธานองคมนตรีเป็นแกนนำในฐานะผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญโดยมีการร่วมวางแผนกันที่บ้านของหม่อมหลวงปีมาลากุลอยู่ที่สุขุมวิทประธานในที่ประชุมเป็นตัวแทนของพลเอกเกรมคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ และร่วมด้วยนายชันชัยิกษิติชาประธานศาลฎีกานายจรัญพัฒน์ธนากุลในขาธิการประธานศาลฎีกาปัจจุบันเป็นสาลรัฐธรฐธรมนูนนายอักคาราธรจุลารัฐประธานศาลปกครองสูงสุดตัวเกง่เกงคนแรกที่สํานักข่าวซีเอเอออกข่าวว่าจะเป็นนายกหลังการยึดอํานาจนายปราโมทนาครทัพนักการเมือง ร, รุ่นเกา่า แนวคิดสังคมนิยมแกนนําพันธมิตรมอมหลวงฟรีเจ้าของบ้านและคนเอกพันลบปิ่นมณีผู้เปิดเผยข้อมูลลับนี้วันที่เปิดเผยข้อมูลลับนี้ถือได้ว่าเป็นวันประวัติศาสตร์คือวันที่27มีนาคม2552โดยพันตำรวจโทรทัศน์ถึงโคนอินมาที่การชุมนุมของคนเสื้อแดงที่หน้าคำนี้ของรัฐบาลแล้วหลังจากนั้นตัวแสดงทุกตัวก็ออกมารับข้อเท็จจริงกัน แต่ใช้วิธีภาคเศษคือรับเครื่องปฏิเสธเครื่ ง, ตงแต่ไม่อาจจะปิดบางความจริงได้อีกต่อไปเพราะเหตุการณ์ที่สารทําผิดกระบวนการยุติธรรมก็ดีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารไม่กล้าดำเนินการทางกฎหมายใดๆกับม็อบพันธมิตรก็ดีมันได้สอดรับกับเหตุการณ์การประชุมลับที่ถูกเปิดเผยออกมาทั้งหมดนี้หม่อมหลวงปีมาลาคุลได้ให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่ามีการประชุมดงังกล่าวจริงที่บ้านของตน หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดํารัสกับสารปกครองเมื่อ25เมษายน2549ไทยรัฐ30มีนาคม2552แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเครือข่ายและขุนนางโดยอัตโนมัติรายละเอียดทําให้สัมภาษณ์โนอินของทักษิณและคําสัมภาษณ์ของคนเอกพันลบอยู่ในภาคผนขงท้ายเล่มซึ่งผูส้สนใจควรต้องติดตามเพราะเหตุการณ์นี้จะเป็นกุญแจไขาไปสู่เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ประชาธิปไตยย้อนหลังไปทั้งหมดที่แสดงบทบาทของราชสำนักองคมนตรีเรลมติดฉากนายกทักษิณเมื่อสิ้นสุดงานพระราชพิธีฉลองการของราชครบ60ปีที่ยิ่งใหญ่ท่ามกลางความปิติยินดีของพระสงนิกรคนเอกเรลมจินดาสุรานนท์ประธานองคมนตรีก็ได้ก้าวออกมาหน้าฉากในฐานะผู้มีบารมีนอกรักฐธรมนญตัวจริง ซึ่งเป็นเสมือนประธานเครือข่ายและัฐสมณ์นักให้แสดงจนส่งสัญญาณค้นล้มพันตำรวจโททักษิณที่เพิ่งเสร็จสิ้นจากการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเจ้าอยู่หัวโดยออกเดินสายกล่าวปาะกถาตัดนักเรียนนายร้อยทั้งสามเหล่าทัพและนวาระต่างๆโดยส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ให้ทหารเคลื่อนพลออกมาทำรัฐประหารได้แล้วเพื่อจะขับไล่อำหนาจของนายกมนตรีที่ประชาชนรักแต่รัฐสมณนักไม่ชอบ และนับแต่นั้นทุกองคาพยศตั้งแต่อาจารย์ศาลทหารตำรวจพรรคการเมืองฝ่ายค้านและพันธมิตรก็ออกมาประสานเสียงล้มรัฐบาลทัดสิ่ด้วยการรัฐประหารกางเดือนกันยายนกลุ่มพันธมิตรซึ่งได้รับสัญญาณแล้วจึงเรียกชุมนุมใหญ่พร้อมจะปะท้ายเกิดเลือดตกยางออกในวันที่ยี่สิบกันยายนสองพร้อยสสิบเก้าพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับทหารที่ยกกาลังออกมาทาการรัฐประหาร โดยเหตุผลที่รวงโลกว่าคนไทยจะแตกความสามาัคคีทหารจึงต้องได้สร้างความสามัคคีแต่จากข่าวภายในเป็นที่รู้กันว่าจะมีกําลังทหารจากกองทัพภาคที่สามภายใต้การนําของพลโทสัพพัมกรยาณมิตรกทัพภาคที่สามยกในขณะนั้นจะถอดเครื่องแบบเป็นชาวบ้านแฝงตัวอยู่ในม็อกคันธมิตรเพื่อก่อเหตุรุนแรงในขณะที่ทักษิณเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปกราบคุนทรัพย์ ในที่ประชุมภาป ร, ประหประชาชาติในนามตัวแทนของประเทศไทยในวันที่19กันยายน2549และจะเดินทางกลับในวันที่20กันยายน2549ซึ่งจะเป็นวันเคลื่อนพลของคันธมิตรเวอกอบความรุนแรงเพราะแต่เดิมรัฐบาลทักษิณรู้สถานการณ์ทางการเมืองจึงไม่เอาให้เกิดการกระทบกระทั่งกับม็อบเลยและในเย็นวันที่19กันยายนนั้นเอง ก็เกิดการเคลื่อนพลของกองกำลังทหารเข้ายึดอํานาจโค่นล้มรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนในสภาพความเป็นจริงของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ภาวะการเมืองจะมีความซับซ้อนช่อนเงื่อนมากประชาชนจะไม่สามารถมองเห็นความจริงทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาได้และแม้แต่สื่อมวลชนเองก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะบอกความจริงตรงๆ ต, ต, ต่อประชาชนได้เช่นกันความจริงจึงดูได้จากคนที่เกิดขึ้นต่อสธ า, านะว่า ใครกันแน่ที่จะสั่งทำการล้มระบอบประชาธิปไตยโดยสิ่งที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้คณะผู้ยึดอนานาจใช้ชื่อว่าคณะปฏิรูป ก, การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุคขคอปคอจากชื่อนี้ก่อให้เกิดความสับสนในต่างประเทศมากว่าคณะรัฐประหารชุดนี้มีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์มากจึงรีบทําการแก้ไขเปลี่ยนชื่อ เป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติคอมชอและไม่ให้มีการใช้ชื่อเดิมเรียกฐานอีกต่อไปคลเอกเปรมพาคณะรัฐประหารทั้งหมดเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวอย่างรวดเร็วเหมือนเตรียมการล่วมหน้าในการดึกของคืนวันที่19กันยาย น, นนั่นเองคณะรัฐประหารหลังการยึดอำนาจได้ประากาศจัดตั้งรัฐบาลซึ่งบุคคลที่เข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรีนั้นลวนแล้วจตเป็นคนใกล้ชิดราชสานักทั้งสิ้น และที่สําคัญคือคนสนิทที่เคยทํางานกับคลเอกเกรงมามาก่อนสมัยเป็นนายกอุปนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนในสํานักงานบุนิธิรัฐบุรุษของคลเอกเปรมนับตั้งแต่คนเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกอุปนตรีซึ่งได้รับแต่งตั้งขณะดำรงตําแหน่งตำแหน่งองคมนตรีก็เป็นเสมือนบุตรบุญธรรมของคนเอกเกรมด้วยนายโคสิตปั้งปั้างเปลี่ยนลัดรองนายกอุปนตรีผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพจํากัด จึงเป็นทั้งกระเป๋าเงินที่สนับสนุนพันธมิตรและเป็นกระเป๋าเงินให้แก่คนเอ็กเกรมโดยคนเอกเกรมได้รับเงินเดือนในฐานะประธานที่ปรึกษาธานาคารกรุงเทพมานานกว่า20ปีและอดีตเคยเป็นรัฐมนตรีร่วมในคณะของคนเอ็กเกรมด้วยนายอารีวงศ์อรารยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีต ล, ลูกน้องผู้ใกล้ชิดคนเอกเกรมนายบัญญัติจันเสนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอดีตเป็นผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขาเมื่อกเกษียณอายุแล้วก็เป็นผู้ดูแลบ้านของคนเอกเพลย์ที่สงขาเป็นต้นคนเอกเพลยเคยพูดต่อสาธารนณะชื่นชมนายกสุรยุทธ์ว่าเป็นคนดีและทุกคนที่ช่วยเหลืองานในภาคใต้ของมูลนิธิรัฐบุรุษก็ล้วนแต่ได้ดีหมดนายมีชัยิชุพันธ์ประธานสภานิติบัญญัติก็เป็นลูกน้องคนสนิทของคนเอกเพลย์และเคยเป็นรองนายกและรัฐมนตรีร่วมในคณะรัฐบาลเพลยหลายครั้ง รวมตลอดถึงสมาชิกสภ า, านิติบัญญัติส่วนข้างมากที่ได้รับตําแหน่งได้รับแต่งตั้งก็ล้วนแต่เป็นแกนนําพันธมิตรผู้อยู่ล้อมล้อมนายสนชิโร่เลมทองกุลและเป็นเอ็นอที่ร่วมขับเคลื่อนไหวกับกลุ่มพันธมิตรและโดยเฉพาะ NGO บางคนบางองค์กรที่อยู่ในโครงการพระราชดํำริรวมทั้งอธิการบดีและอาจารย์มหาวิทยาลัยและข้าราชการสํานักนายกในรัฐบาลทักษิณเช่นนายบรวรศักดิ์อวานโน ในขาวที่การคณะรัฐมนตรีและนายพิษณุเครือ ง, งามรองนายกรรมนตรีที่ได้รับสัญญาณจากพลเอกเปรมให้ลาออกจากรัฐบาลทักษิณเพื่อทําลายความชอบธรรมของทักษิณและลุกภายหลังว่าทั้งสองคนนี้เป็นญาตคู่เขยกันและเป็นคนสงขาจังหวัดฐานที่มั่นของพลเอกเปรม น, นาวาอากาศตรีประสงค์สุนทรีประธานยกกร่างรัฐมนตรี2550ก็คือลูกน้องใกล้คิดพลเอกเปรม และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนของพันธมิตรอย่างใกล้ชิดนายชันชัยลทธิ์ิติชาติประธานสารกีกาผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นองคมนตรีและได้กลายเป็นฝ่านที่รับใช้อำนาจการเมืองอย่างเปิดเผยเริ่มตั้งแต่ได้เข้าไปมีบทบาทจัด ก, การกับกรกตโดยผ่านการประสานงานของนายไพโรธวรานุษย์เด็กในบ้านเฟรมซึ่งเป็นผู้พิพากษาและเป็นรองเลขานุการประธานสารกีกาโดยผลเอกเฟรมมีคำมั่นสัญญาว่าจะแต่งตั้งให้นายชันชัย เป็นองคมนตรีเมื่อกเกษียณอายุแล้วแต่เมื่อเกิดการรัฐประหารนายชันชัยฤทธิ์จิตติถัดก็ได้รับการปูนบัณปูบนปบำเน็จโดยแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและมีบทบ า, า, นนาทสําคัญผานนายจรังพัฒนากุลในฐานะลูกตารประธ า, านศาลฎีกาที่กระโดดข้ามห้วยจากผู้วิวาษามาเป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรมทํางานร่วมกับนายชันชัยฤทธิ์จิตติถัดเพื่อมาดําเนินการทางกฎหมายทําลายทัสิณและเป็นการนาในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2550 ตามความต้องการของราชสำนักและสุดท้ายนายชันชัยก็ได้รับโปรดเก้าเป็นองคมนตรีได้จริงๆหลักฐานทางประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นการยืนยันชัดเจนถึงอำนาจปกคร อ, องของราชสำนักโดยวิธีการบริหารจัดการที่ซับซ้อนผ่านผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญและเครือข่ายราชสำนักแต่การดําเนินการกําจัดรัฐบาลทักษิณที่ไม่พึงประสงค์นี้มีความยุ่งยากและซับซ้อนยิ่งกว่ารัฐบาลใดๆ ไม่ใช่เป็นเพราะเครือข่ายราชสำนักไม่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เพราะราชสำนักเสติมบารมีแต่ตรงกันข้ามเครือข่ายราชสำนักมีประสิทธิภาพมากราชสำนักมีบารมีอย่างล้นท้นและเข้มแข็งแต่ที่ยุ่งยากเป็นเพราะทักถึงเป็นตัวแทนของทุนสมัยใหม่และเป็นกลุ่มทุนในยุคโลกาภิวัตน์ที่เส้นสายความสัมพันธ์ทางธุรกิจกว้างขวางสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในรูปของหุ้นส่วนซึ่งซับซ้อน ซึ่งแตกต่างจากอดีตนายกที่มาจากทหารที่เป็นเพียงขุนนางในโครงสร้างของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ไม่มีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจถูกโยงมากนะักโดยเฉพาะการถูกโยงกับทุนต่างประเทศดังนั้นเมื่ออดีตนายกที่เป็นขุนนางต้องผลจากตําแหน่งก็หมดเลสเตทันทีแต่กรณีของทักษิณ น, นี้จึงยุ่งยากมากกว่าและที่ก่อปัญหายุ่งยากจนจะส่งผลกระเทือนต่อระบอบอํานาจของราชสานักในอนาคตก็คือ ความกล้าและความบ้าของทักษิณซึ่งอยู่ในช่วงกระแสประวัติศาสตร์ของการใกล้เปลี่ยนรัชกาลทอดีดังนั้นการแสดงอำ น, นาจของรัชสมนักจึงอยู่ในภาวะอันตรายที่สุดและสถานการณ์การเมืองหลังจากนั้นก็จะพิสูจน์ให้เห็นสัธจธรรมแห่งประวัติศาสตร์าการแผ่นดินสวรณภูมิคือกษัตริย์หลังการเลือกตั้งยี่สิสามธันวาคมสองพันหาร้อยหสิบเอ็ดเมื่อสมัครได้รับโรวตก้าวเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว เมื่อต้นปี2552ทักษิณก็เดินทางากลับสู่มาตุภูมิทันที ท, น ท, ท, นที่เหยียบสนามบินสุวรรณภูมิพันตรวจโททักษิณได้ก้มลงกราบแผ่นดินซึ่งภาพนี้ได้ถูกตีพิมพ์ไปทั่วโลกแต่ไม่มีใครรู้ว่าในใจทักษิณคิดอะไรแต่จากว่าวงคนใกล้คิดได้เปิดเผยภาพว่าภาพนั้นต้องาการสื่อความหมายถึงราชสำนักว่าข้าพเจ้าขอกราบบังคม แทบเบื้องอยุครบาดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อขอพระบรมราชานุ ญ, ญาตอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้เยี่ยมประสบมิกรแต่ทักษิณก็ไม่อาจจะอาศัยใต้ร่มพระบรมมหาราที่สมพานได้เฉกเช่นปรีดีพนมยงค์และนายป่วยอึ้องภากรที่ต้องจบชีวิตในต่างประเทศแต่ต่างกันว่าขณะนี้ท่านตารวจทศทักษิณยังมีชีวิตอยู่และประวัติศาสตร์บทนี้ยังเขียนไม่จบ ใครจะเป็นผู้เขียน